วิมุติรตนะมาลีโดยพระราชวิสุทธิโสผลวิราชยานวโรปท9ตอนสมเด็จพระนางพิมพาภพิกษุณีอดีตการล่วงมาแล้วนับถอยหลังจากพัฒธกับนี้ไปเป็นเวลานานถึงสีอสงไขยกับอีกแสนมหากับการละครั้งนั้นเป็นสุภมงคลาการที่เรียกว่าสารมันทกกัป เพราะเป็นกลับที่มีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาอุบัติตรในโลกสี่พระองค์คือ 1. สมเด็จพระมิ่งมงกุฏตันหังกอนพุทธเจ้า 2. สมเด็จพระมิ่งมงกุฏเมทังกอนพุทธเจ้า 3. สมเด็จพระมิ่งมงกุฏสรนังกอนพุทธเจ้า 4. สมเด็จพระมิ่งมงกุฏทีปังกอนพุทธเจ้าจะกล่าวกลับจับความ จำเดิมแต่ศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่สามคือสมเด็จพระมิ่งมงกุฎสรนังกรพุทธเจ้าคอยเสื่อมสลายสูญสิ้นไปหมดแล้วโลกเรานี้ก็ว่างจากพระพุทธศาสนาช่วการพุทธันดรหนึ่งแล้วจึงปรากฏมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาอุบัติก็สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สเสด็จมาอุบัตใหม่นี้ทรงพระนามว่า สมเด็จพระมิ่งมงกุฎที่ปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงอุบัติตรัสในโลกแล้วก็ทรงบำเพ็ญพุทธกิจประกาศพระพุทธศาสนาอย่างศาสนธรรมให้ขยายแผกกว้างออกไปเหล่าสัตว์ทั้งในไตรโลกธาตุพรันได้สดับรับรสพระสัทธรรมเทศนาต่างก็พากันประพฤติปฏิบัติตามคาสั่งสอนของสมเด็จพระทศพลจนได้บรรลุพระอริยมรรคอริยผล ตามสมควรแกว่วาสนาบา ร, รมีแห่งตนเป็นอันมากแล้วการักครั้งนั้นยังมีพราหมณ์นบหนุ่มผู้หนึ่งปรากฏนามว่าสุเมธทาพมณ์เขาเกิดในตระกูลมัง่งคั่งมีทรัพย์สมบัติมหาศาลนับได้มากมายหลายโกดทีเดียวนอกจากนั้นยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในเชิงมนเฟื่องฟุ้งเรียนจบแจ้งในไตรเพทางขสตติ์ฉลาดในศีลสินส้นทุกประการวันหนึ่ง สุเมธทัพพรามมานบหนุ่มผู้นั้นนั่งอยู่ในห้องระหโหฐานอันเป็นที่สงัดแล้วจินตนาการด้วยปัญญาว่าที่ดังเราจะติเตียนอันว่าการก่อบพบกำเนิดเป็นรูปกายขึ้นใหม่นี้ย่อมมีกองทุกข์ท่วมท้นหาฤทัยเที่ยงแท้อันหนึ่งแม้เมื่อชนมาชีพแตกพรากจากกายทำลายร่างสรีราพยพนั้นเล่าก็เป็นกองทุกข์ถึงที่สุดใหญ่ยิ่งกว่าทุกทั้งปวง การก่อพบชาติใหม่นี้เป็นทุกข์ใหญ่หลวงเพราะว่าชาติพบก่อให้เกิดชราแล้วชราก็ก่อให้เกิดพยาธิมรณะอันเป็นทุกข์ต่อไปไม่สิ้นสุดก็ในเมื่อชาติชาราพยาธิมรณะซึ่งได้แก่ความเกิดความแก่ความเจ็บไข้และความตายปรากฏมีขึ้นได้แล้วความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็คงจะมีเป็นแม่นมั่นอยางกระนั้นเลย ควรที่เราจะประสงค์เจาะจงสแสวงหาความพ้นชาติชราพยาธิและมรณะนั้นให้จงได้จะเป็นการประเสริฐแท้อันหนึ่งตัวเราคงต้องตายในวันหนึ่งข้างหน้าต้องทอดทิ้งรีระอันมีสภาวะเน่าเปื่อยปฏิกูลนี้แล้วไปเกิดใหม่ให้ได้ทุกข์อีกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จะไหนจึงจะยังหนักหน่วงห่วงใ ย, ยอยู่ด้วยร่างกายปฏิกูลนี้อยู่เล่าควรที่เราจะพึงหาทางออกไป เพื่อไม่มีการเกิดเสียเลยดีกว่าก็แต่ว่าหนทางอันประเสริฐนี้เห็นทีฝูงสัตว์จะพึงพบได้โดยยากจำเราจะพึงทำความเพียรพยายามให้จงมากอุตสาห์เสาะแสวงหาให้พบจงได้ความทุกข์ภัยพยาธิมีแล้วชันใดความสุขไร้ทุกข์ภัยพยาธิก็คงจะมีเช่นเดียวกันเมื่อพบกำเนิดคือความก่อเกิดปรากฏมีแล้วฉันใดวิภวะคือความไม่ก่อเกิด ให้เกิดเป็นร่างกายก็คงจกมีเช่นเดียวกันเปรียบเหมือนเมื่อความร้อนคือเตโชธาตุไฟมีอยู่แล้วความเย็นคืออาโปธาตุน้ําก็มีไว้สําหรับตับความร้อนแก้กันฉันใดก็ดีเมื่อมีไฟคือความเกิดแก่เจ็บตายสิ่งที่จะระงับทุกข์ร้ายเหล่านี้ก็คงมีเป็นแม่นมั่นเสมือนหนึ่งว่าการบาปมีแล้วย่อมมีการบุญแก้ความเกิดมีแน่ กวาไม่เกิดอีกเป็นเที่ยงแท้ก็คงจักมีเปรียบเหมือนบุรุษทรงพลังรักความสวยสะอาดเมื่อเห็นว่าสรีระร่างแห่งตนแปดเปื้อนคูดเน่าเหม็นร้ายกาศนักหนาแล้วมาพบสระน้ำซึ่งมีอุทกกวารีเย็นใสควรหรือที่เขาจะไม่กระวีกระวาดลงไปในสระเพื่อชำระล้างเนื้อตัวให้หมดมนทินก็เรานี้ ในเมื่อมนทินคือกิเลส ท, ที่ควรล้างกำลังแปดเปื้อนติดตัวมีอยู่แล้วดังรือจะไม่แสวงหาสระน้ำที่มีอมตะธรรมเป็นอุทกกวารีแล้วรีบล้างเสียซึ่งมนทินคือสัพพกิเลสนั้นอีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนขุนพลจอมโยธีผู้ชำนาญศึกในรณภูมิที่ถูกฆ่าศึกศัตรูหมู่ปัจจามิตรมาล้อมไว้เมื่อเห็นหนทางที่พอจะประลาดหลีกลี้หนีไปได้ยังมีอยู่ ควรหรือที่เขาจะหลงมุมาณนะสู้จนเสียชีวิตไม่คิดหนีข้อตัวเหล่านี้ในเมื่อมีข้าศึกศัตรูคือหมู่กิเลสมารวมรุมคุ้มห้อมล้อมไว้อยู่ทุกที่วาราตรีและหนทางเป็นที่เกษมเปรมใจคือพระนิพพานอันเป็นที่หลีกหนีย่อมมีอยู่โดยแท้เมื่อเป็นเช่นนี้จะไม่คิดแก้ไขหลีกหนีเอาตัวรอดไปหรือฉะไหนอีกประการหนึ่ง เปรียบเหมือนชายผู้มีโรคร้ายเข้าเกาะกลุ่มสรีระกายให้ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสเมื่อได้พบแพทย์วิเศษที่จะสามารถรักษาควรและหรือที่บุรุษนั้นจะไม่คิดอ่านเยียวยารักษาพยาธิแห่งตนให้หายเป็นปกติดีก็ตัวเรานี้ในเมื่อถูกโรคาพยาธิคือกิเลสสวะมย่มยีบีทาจะไม่เร่งเสาะแสวงหาแพทยพิทยาจารย์ ให้พยาบาลขจัดเสียซึ่งโรคาพยาธินั้นหรือชะไหนอีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนชายผู้มีน้ำใจรักความสะอาดและมีซากศพอันแรงร้ายกาศด้วยกลิ่นเหม็นเป็นปฏิกูลมาผูกพันประสันติดอยู่กับคอตนควรหรือที่ชายคนนั้นจะทนสู้กลิ่นเหม็นแห่งซากศพอยู่ได้โดยที่แท้เขาย่อมจะร้อนรนขนขวายปลดเปืองซากศพให้พ้นไปจากคอตนเสีย้วยพลันชันใด ก็ตัวเรานี้จะมีใจเอื้อเฟื้ออาลัยอาวร์ในร่างกายอันเน่าเปื่อยปฏิกูลมากบุญไปได้วยซากสางต่างๆนี้ทำไมกันทางที่ดีนั้นจะต้องรีบหาทางปลดเปลื้องทอดทิ้งเสียไม่ต้องห่วงใยเฝ้าอาลัยรักปลดเปลื้องทอดทิ้งไปโดยพลันให้เหมือนกับบุรุษทอดทิ้งรากศพที่ผูกอยู่ที่คอนั่นเถิดอีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนบุรุษถูกหมู่โจรร้ายใจฉกา มันอาจหารพากันมาปล้นกลุ่มรุ ม, รมชิงฉวยเอาห่อทรัพย์สมบัติได้แล้วและบุรุษนั้นเห็นว่าตนไม่สามารถที่จะชิงเอาห่อทรัพย์สินกลับคืนมาได้เขาย่อมจะสิ้นอาลัยในทรัพย์ไม่เสียดายหมายแต่จะเอาชีวิตรอดรีบวิ่งหนีไปโดยพันชั้นใดตัวเรานี้เล่าก็มีสรีระร่างอันเปรียบดังหมูมหาโจรใจฉกาจสามารถที่จะปล้นผานจิตใจให้ขาดจากกุศลธรรมทั้งปวง จาเราจะตัดห่วงสเสนหาในกายทอดทิ้งเสียอย่าให้มีอาหลาได้รีบหนีไปในที่ปลอดภัยเหมือนบุรุษที่ถูกโจนป้นแล้วไม่อาลัยในทรัพย์สมบัติรีบหนีไปฉับพลันฉันนั้นเถิดสุเมธธรรมานพผู้มีปรีชาจินตนาการเป็นอุปมาทบทวนย้อนหน้าย้อนหลังวิจิตพิสดารมากมายหลายครั้งดังนี้แล้วในที่สุดก็ตัดสินใจ สั่งให้เปิดคลังทรัพย์สมบัติของตนมากมายหลายโกรธสุดประมาณออกบริจาคเป็นทานแจกจ่ายแก่ยาจกวณิพกคนอนาถาและคนที่อยากได้ทั้งปวงจนหมดสิ้นไม่มีเหลือแล้วก็มีใจผ่องแผ้วออกเดินทางแต่ตัวเปล่าเข้าไปสู่อรัญญาประเทศเขตป่าใหญ่เมื่อมาถึงที่ใกล้เชิงเขาธรรมิกะบันพศจึงจัดแจงสร้างบรรณศาลาอาสมบทเป็นที่อาศัย ให้สำเร็จสมอารมณ์หมายภายในไม่ช้าแล้วก็เปลืองผ้าสาดกเนื้อดีที่ตนครองนุ่งผ้าเปลือกปานและคากรองบวชเป็นดาบทสร้างพธพรมจรรันทร์จำเริญสมถะกรรมฐานภายหลังต่อมาไม่นานก็ละทิ้งเสียซึ่งบรรณสาลาที่อยู่นั้นเพราะเห็นว่าทำให้เกิดห่วงใยไม่วิเวกเพียงพอแล้วเดินทางต่อไปจนถึงเขตอารันอันไกลลึกเป็นป่าใหญ่ อาศัยร่มไม้รุกขมูลเป็นที่อยู่เลือกดูผลไม้ที่หล่นลงมาเอาเป็นประมาณบริโภคเป็นอาหารยาปนัมัรเครื่องยังชีพให้ส่งไว้เท่านั้นมีจิตบากบัน่นอุสาบำเพนเป็นกสีนานุโยกพยายามอยู่ในอรัญญาสถานไม่นานเท่าใดก็สามารถได้บรรลุ ฝ, ฝังแห่งฌานสมาบัติและอภิญญาเรื่องว่าสุเมธดาบทูลยิ่งด้วยพรตพรมจรรัร ท่านได้สำเร็จอภิญญาฌานสมาบัติบริบูรณ์ดีมีวสีภาพเชี่ยวชาญชํานาญยิ่งนักแล้วก็ได้แต่เพลิดเพลินเจริญฌานเป็นสุขอยู่นักหนาหารู้ไม่เลยว่าบัตินี้สมเด็จพระชินทร์สีทีปังก่อนสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาอุบัติตรัสเป็นพระปรุมโ ล, โล ก, กนาดแล้วความจริงนั้นควรที่ท่านดาบดจะรู้เพราธรรมดาวิสัยผู้ได้อภิญญาฌานสมาบัติ ย่อมจกมีโอกาสรู้เห็นนิมิตในการทั้งสี่ก่อนคือการเมื่อท่านผู้จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาถือปฏิสนธิในโลกการเมื่อท่านผู้จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติจากพระคันโพธนแห่งพระมารดาการเมื่อได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันประเสริฐการเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงมีพระมหากรุณาแสดงพระธรรมจักเทศนาการสําคัญทั้งสี่ซึ่งสุมเมธดาบทไม่ได้รู้เห็นนี้ก็เพราะเหตุที่ท่านเป็นผู้เพลิดเพลินเจริญชานอันเป็นส่วนตนหนักยิ่งนักอยู่ในจิตด้วยไม่ได้ฝ่ายใจคิดดูซึ่งเหตุอื่นเลยจึงไม่ได้เห็นไม่ได้รู้ว่าสมเด็จพระสัพพัญยูเจ้าที่ปังก่อนทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกต่อเมื่อหมู่มหาชนเป็นอันมาก พากันอาราธนาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทีปังกรซึ่งทรงมีพระคุณบวร อ, อันวิเศษให้ทรงพระมหากรุณาเสด็จมายังปัจจันตประเทศจึงเกิดเหตุมหาโกลาหลเป็นการใหญ่ด้วยว่าฝูงชนทั้งหลายซึ่งมีความเลื่อมใสชื่นชมสมนัตต่างก็พากันจัดแจงแต่งหนทางแพ้วทางเกลี่ย ม, มูลผูนถมกระดมกันกระทาทางเป็นที่เสด็จพระพุทธดาเนินอยู่ ในขณะนั้นสุมเมธธดาบทผู้มีตบะอันสูงพระบรลุถึงฝั่งแห่งอภิญญาชาญสมาบัติเที่ยวจาริกมาทางอากาศกลางเวหามองลงมาอย่างพื้นพระสุธาได้เห็นประชาชนประชุมกันอยู่เป็นหมู่มากแลดูหลากประหลาดรื่นเริงบันเทิงจิตหน้าพิศวงดาบทผู้มีฤทธิ์จึงเหาะลงมาจากคัคคณำพรห้องเวหาหาแล้วมีพจนะประภาดถามข่าวครา ว, า ว, าวชาวมนุษย์หมู่นั้นว่า ดูก่อนท่านทั้งปวงมหาชนชวนชื่นรุ่นเริงบันเทิงจิตชวนกันประกอบกิจแผวถางปัตตพีโสพโนพาดเพื่อบุคคลผู้ใดจะจอมามหาชนทั้งปวงได้ฟังท่านดาบทถามจึงแจ้งความว่าข้าแต่ท่านฤาษีสมเด็จพระทีปังก่อนสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้อนุตตระโลกขาดยอดบุคคลเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วการระบาดนี้ ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีใจเลื่อมใสในพระองค์เป็นยิ่งนักจึงชักชวนกันแผวทางทางเพื่อให้เป็นที่เสด็จพระพุทธดำเนินณสถละมากวิถีเพื่อที่จะได้เสด็จมาแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพวกเราเชาวเมืองนี้สุเมธธรีสีผู้มีฤทธิ์เมื่อสดับพระพุทธนามแต่เพียงคำว่าสมเด็จพระธีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบังเกิดขึ้นแล้วในโลกเท่านั้นก็พลันเกิดปิติเป็นล้นพ้นสุดประมาณ จึงมาจินตนาการว่าการนี้ควรที่ตัวเราจะกว่านพืชเพื่อผลขณะนี้ก็เป็นมงคลสมัยอุบัตมีหาควรที่เราจะมาทำละเมินเสียไมครั้นคำหนึ่งจินตนาในใจด้วยอำนาจศรัทธากอบด้วยยานโสมนัสชนีจึงกล่าวขออนุญาตชนเหล่านั้นว่าแม้นท่านทั้งหลายถากทางทางถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอทรงอนุญาตให้โอกาสแก่เราสักแห่งหนึ่งเถิด เรานี้เกิดตัดทาปรารถนาจะทำทางถวายพระพุทธเจ้าบ้างครั้งนั้นจนทั้งหลายเห็นว่าท่านฤาษีเป็นผู้มีฤทธิเดชเพราะสามารถเหาะเหินเดินมาโดยทางนภาอากาศได้ก็เลยพากันชี้มือไปทงบริเวณที่ซึ่งถากถางยากลำบากเพราะมีเปือกตมโคลนเลนเป็นบริเวณที่ต้องถมต้องหาหมูลดินมาเกลี่ยให้เสมอเป็นอันดีแล้วบอกอนุญาตแกสุเมธทฤศีว่า แม้ท่านปรารถนาจะทําทางถวายแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมกับพวกเราในการครั้งดีแล้วไซท่านก็จงทําบริเวณที่ตรงนั้นให้สําเร็จด้วยดีเถิดท่านฤาษีสุเมธดาบทผู้มีใจเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรโลกขนาดครั้นเขาอนุญาตให้ทําทางณสถานที่นั้นแล้วก็มิได้รอช้าอุตสาหะตั้งหน้าประกอบการโดยมีจิตตวานรําพึง ถึงพระพุทธนามว่าพุทโธพุทโธพุทโธอยู่เป็นนิจตะยาการแผ่ถางสถานที่ให้เตียนโล่งเป็นอันดีแล้วก็เปลือกหนังเสือที่รองนั่งออกผูกทําเป็นถุงกระทอห่อหิ้วมูลดินเอามาเทถมระดมศาสตร์ในที่ซึ่งเป็นที่ลาดลุ่มลึกเป็นเลนเหลว อ, อยู่นั้นยังมิทันที่จะทําได้สําเร็จตลอดเหลืออยู่ยาวประมาณชั่วตัวบุรุษก็มีเสียงอุโฆษนาการกึกก้อง ่าร้องให้เป็นที่รู้กันว่าได้เวลาที่สมเด็จพระมิ่งมงกุฎพุทธทีปังกรศาสดาสเสด็จพาพระขีนาสบสง์มากมายมาใกล้จะถึงเสียงสับบรรเลงอื้ออึงด้วยสำเนียงถวยเทพสุภสุระขนาดนดีกรเป็นทองแถวแนวสลอนด้วยมหาชนอเนกแน่นทำปฏิกยขมนาการทั้งนำสเสด็จพระพุทธดำเนินมาบางหมู่ก็ประโคมดุริยะดนตรีแต่สังกังสดาน ของกลองก้องสนั่นศัพแท้สองสาธุการเอ ก, เกระเลิกสมนัตินักหนาทั้งเทพพญดาและมนุษย์ต่างก็มีกรประนมมิได้คลายเคลื่อนและละลานเลื่อนตามเสด็จพระพุทธดําเนินมาฝูงเทพพญดาก็ประโคมทิพยดนตรีหมู่มนุษย์ก็ประโคมดีดสีตีเป่าตามภาษามนุษย์ดําเนินนําและตามเสด็จพระพุทธลีลาทเทพพญดาบางพวกก็โปรยปลายทิพย์บุกผา มีดวงดอกทิพยมนทารบโกสุมเป็นประธานลอยเลื่อนเคลื่อนทั่วทั้งที่สารุธิตณนะเบื้องบนหน้าผากาศมนุษยชาติบางพวกก็ยกขึ้นซึ่งเครื่องสักการะบูชาล้วนแต่เครื่องหอมแห่ห้อมล้อมจอรลีตามเสด็จพระพุทธทีปังก่อมาด้วยความเลื่อมใสศรัทธากาลครั้งนั้นสุเมธดาบทผู้มีศรัท ธ, ธาจิตก็อธิษฐานอุทิศชีวิตถวายแด่พระพุทธองค์ จึงปลดเปลื้องชดาสยายเกษาลาดปูผ้าเปลือกไม้กับหนังเสือรองนั่งลงบนเปลือกตมแล้วก็ทอดกายนอนคว่ำหน้าลงต่อถนนที่ขาดลาดลุ่มเป็นเลนเหลวซึ่งเป็นบริเวณที่ตนยังทำไม่แล้วเสร็จนั้นพลันตั้งจิตอุทิศถวายว่าขออาราธนาสมเด็จพระพุทธองค์จงทรงพระมหากรุณาพระพระมหาขีนาสบสงทั้งหลาย เสด็จเหยียบย่างพระบาทดำเนินไปบนกายแห่งข้าพระองค์อันทอดเป็นสะพานนี้เถิดเพื่อจะได้เกิดประโยชน์สนธิผลอันยิ่งใหญ่แก่ข้าพระองค์ขอสมเด็จผู้ทรงสิริสวัสดิ์จงจะได้ทรงย่างพระบาทหลีกลงเรียบลุยเลนเหลวนี้เลยแล้วก็หมอบคว่ำหน้านิ่งเฉยเพื่อรอให้สมเด็จพระทีปังกรพุทธเจ้าพาพระมหาขีนาศพสง์เสด็จพระพุทธดำเนินเหยียบไปบนเบื้องหลังไกลตนอันทอดเป็นสะพานอยู่อย่างนั้น ด้วยน้ำจิตมั่นไปด้วยศรัท ธ, ธาเลื่อมใส ย, ยิ่งนักหนามีกรณีที่ท่านผู้มีปัญญาควรจกทราบไว้ในตอนนี้ก็คือว่าในขณะนี้หากสุมเมทธทะรืฤศีผู้มีฤทธิ์ซึ่งนอนทอดกายเป็นสะพานให้สมเด็จพระทีปังกรบรมศาสดาจารย์ทรงเหยียบสเสด็จพระพุทธดำเนินไปเพื่อไม่ให้พระยุคลบาทแปดเปื่อนโครนตมและเลนเหลวนี้ เธอจะมีความปรารถนาหน่วงเอาอมตะธรรมกํำจัดกิเลสเสียให้ขาดจากขันธสันดานในเวลาวันนั้นก็จะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์มหาขีนาสพเจ้าอย่างแน่นอนทั้งนี้ก็เพราะว่าอุปนิสัยแห่งพระอรหัตตคุณรุ่งเรืองแก่กล้าเต็มอยู่ในขันธสันดานแล้วเพียงแต่ได้สดับพระธรรมเทศนากึ่งบาทพระคาถาก็จะได้สําเร็จเป็นพระอรหันตมหาขีนาสบเจ้าทันที แต่สุเมธทฤศีผู้นี้มิใช่คนธรรมดาสามัญโดยที่แท้เธอเป็นพระโพธิสัตว์สร้างบรมีมาเพื่อปรมาพิเศกสัมโพธิญาณปรารถนาการได้ตดรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัพพันยูพุทธเจ้ามานานนับได้สองการแล้วคือ 1. การอันเป็นส่วนมโนปนิธานโดยดำาริในใจว่าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าสักพระองค์หนึ่งให้จงได้ในอนาคต ได้แต่เพียงกำหนดนึกในใจอยู่เช่นนี้อย่างเดียวมิได้ออกโอดออกวาจาแต่ประการใดก็นับเป็นเวลานา น, านได้ถึงเจ็ดอสงไขย 2. การอันเป็นส่วนวจีปณิธานโดยออกโอดปรารถนาว่าเราจะตรัสเป็นพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งในอนาคตการเบื้องหน้าให้จงได้แล้วก็สร้างพระบรารมีเพื่อพระสัโพ ธ, ธิญาณพร้อมกับออกโอดตั้งความปรารถนาอยู่อย่างนั้นตลอดมานับเป็นเวลานา น, านได้9้าอสงไขย โดยเหตุที่ท่านสุเมธท่ารือีเธอมีอุปนิสัยควรแก่การที่จะได้ตรัสเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการพระอุตสาหะสั่งสมอบรมบารมีเพื่อพระประมาพิเศกสัมโพธิญาณมานานถึงการสองส่วนคำนวณได้ส6บอสงไขเช่นนี้จึงทำให้ท่านรือีเกิดความคิดอันบันเจิดจ้าขึ้นในเวลานั้นว่าจะมีประโยชน์ส่วนที่ผลอันใหญ่หลวงอย่างไร หากว่าเราจะได้อมตะธรรมแต่เพียงลำพังตนคนเดียวจะมีประโยชน์สุที่ผลใหญ่หลวงอย่างไรด้วยการได้ข้ามโอค่าสงสารแต่เพียงลำพังตนคนเดียวต่อเมื่อใดตัวเราได้บรรลุถึงความเป็นพระสัพพันยูข้ามโอค่าสงสารแล้วเมื่อนั้นเราจะยังสัตว์ทั้งป่วงทั้งมนุษย์ยโลกและเทวโลกให้ข้ามได้ด้วยเราจะยังสัตว์ทั้งหลายให้ขึ้นสถิตสำเพาธรรม ช่วยส่งให้ลุล่วงข้ามถึงฝั่งแห่งพระนรือพานเช่นกับองค์สมเด็จพระบระโมโลกุตมาจารย์ที่บังก่อนนี้ให้จงได้จินตนาการไปโดยเห็นแก่ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ในอนาคตเสียเช่นนั้นสุเมทธทฤศีจึงไม่ปรารถนาเป็นสาวกเพื่อสดับรับระรพระธรรมเทศนาให้ได้สำเร็จเป็นพระอรหันในการครั้งนั้นแต่อย่างใดฝ่ายสมเด็จพระบรรมไตรโลกนาถ ที่ปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นเสด็จมาถึงทอดพระเนตรเห็นซึ่งดาบที่มีลักษณะการแปลกประหลาดที่กลนนนทอดตนให้เป็นสะพานท่ามกลางมรคคาอันมีเปลือกตมเป็นเลนเหลวเช่นนั้นจึงเสด็จเข้ามาใกล้สถิตยอยู่ณนะเบื้องเสียนเกล้าแห่งจุเมทธทารือสีทรงพิจารณาดูด้วยสัพพัญยุตยานแล้วก็พลันมีพระพุทธฎีกาตรัสประกาศแกป่ปวงประชาชนพุทธบริษัททั้งหลายในที่นั้นว่า ดูราท่านทั้งปวงเอย๋ยถ้าท่านทั้งหลายแค้วคลาดจากอมตะธรรมไม่ได้บรรลุธรรมวิเศษในศาสนาแห่งเราตถาคตนี้แล้วและยังจะต้องท่องเที่ยวอยู่ในภพสงสารนานไปในอนาคตการเบื้องหน้าแล้วไซขอท่านทั้งหลายจงปรารถนาให้ได้บรรลุธรรมวิเศษคือมรรคผลนิพพานในศาสนาของดาบทผู้นี้เถิดด้วยว่าต่อไปภายหน้าดาบทผู้นี้ จกได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเหมือนกันเปรียบปานบุรุษทั้งหลายที่ว่ายข้ามมหานาทีแม้มาดว่าจะคลาดเคลื่อนจากท่าเหนือข้ามขึ้นไม่ได้แล้วก็คงจะข้ามขึ้นจากท้องนาทีได้ณนะท่าน้าตอนใต้ต่าลงไปอีกเป็นอันแน่แท้ชั้นใดแม้ท่านทั้งหลายเมื่อคลาดเคลื่อนไม่ได้มักผลนิพพานอันเป็นธรรมวิเศษในศาสนาแห่งเรานี้หากมีวาสนาบรามี ก็คงจะได้สำเร็จในศาสนาของดาบทนี้เป็นแม่นมั่นเพราะดาบทนี้เธอสั่งสมอบรมโพธิสมภารเป็นพุทธทางกูลหน่อพระชินสีโพธิสัตมานานสืบไปเบื้องหน้าในอนาคตการเธอจะได้ตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าสมเด็จพระโคโดมพระร ม, มครูเมื่ององสมเด็จพระสัพพันญูทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสพยากรณ์ชนี้แล้วก็ทรงสงเคราะห์ยกทักกินนาบาทเบื้องขวาขึ้นจรดกายดาบทก่อนแล้วก็เสด็จบทจรพาพระมหากีนาศสงเหยียบ ก, กายสะพานนั้นไปพอเป็นการฉลองศรัทธาฝ่ายว่าเทพพนิกรนน่าครุฑมนุษย์คนทันเมื่อได้สดับพระพุทธฎีกาดังนั้นต่างก็น้อมหัดขึ้นนมัสการมหาดาบทสุมเมธธรมุนี ด้วยความชื่นชมสมนัตยินดีทุกทั่วหน้าสุมิตากุมารีจะกล่าวถึงกุมารีนางหนึ่งซึ่งเป็นสาวแรกรุ่นโสภาอายุได้16ปีเป็นบุตรตรีของกรหาบดีชาวปัจจันตคามวันนั้นเมื่อมีการประกาศว่าให้มหาชนช่วยกันแพร่ทางทางเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระทีบังกรบรมโลกกนาตเจ้า ก็มีศรัทธามาร่วมถากถางทางกับชาวปัจจันตคามทั้งหลายด้วยครั้นได้ทอดทัศนาการเห็นสุเมธทารือีผู้มีฤทธิ์ออกมาจากป่าใหญ่ก็ให้มีความแปลกประหลาดใจเป็นอันมากการต่อมาเมื่อเห็นมหาชนพากันแกล้งชี้มือบอกฤาษีผู้ขออนุญาตให้ไปทำทางณบริเวณที่เต็มไปด้วยโคลนเลนซึ่งเป็นสถานที่จะทาให้สาเร็จได้ยากลาบากหากแต่ฤาษีผู้มีฤทธิ์ ก็รับธรรมจำยอมแต่โดยดีเจ้าสุมิตตากุมารีก็มีความเห็นใจและสงสารท่านฤาษีจึงช่วยแผ่ถ า, างและขนดินจากที่อื่นมาเทถมในที่นั้นด้วยใจพักดีแล้วก็รอบชําเลืองดูร่างฤาษีผู้ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เหาะเฮินเดินอากาศได้อยู่ไปมาแต่พอได้สวรรคการพระพุทธดีกาอันองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกอนบรมศาสดา ทรงประกาศแก่ปวงมหาชนว่าสุมเมธทฤศีจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตการอีกนานนักหนาสุมิตตากุมารีเจ้าก็บังเกิดความยินดีปรีดารีบวิ่งไปสแสวงหาดอกไม้ได้ดอกอุบลสดใหม่มาแปดดอกแล้วจึงซบกายถวายบังคมลงตรงเบื้องพระพักกทำาการสักการะบูชาสมเด็จพระทีปังกอสัมมาสัมพุทธเจ้า ออกโอดตั้งปณิธานความปรารถนาะตามประษาใจของนางในขณะนั้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นพระบรมโลกรุตามาจารย์ด้วยเดชะอนิสง์ที่ข้าพระบาทน้อยได้กระทําสการะบูชาแก่สมเด็จพระพุทธองค์เจ้าในการระบาดนี้ขอให้สุมเมธทารือสีจงเป็นสามีของข้าพระบาทสมใจปรารถนาะในภายภาคหน้าด้วยเถิด ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบุญกุศลใดๆอันเกิดจากพรีกำลังกายถากทางเพื่อเสด็จพระพุทธดำเนินในครั้งนี้ก็ดีและบุญกุศลที่ได้ถวายสักการะบูชาสมเด็จพระทศพลด้วยดอกอุบลอันงามนี้ก็ดีขอให้สุเมธทฤสีนี้จงได้เป็นสามีร่วมรักแห่งข้าพระบาทผู้มีวาสนาน้อยในอนาคตการด้วยเถิดสุเมธทฤศีโพธิสัตว์ ผู้ซึ่งได้รับรัฐยาเทศคำพยากรจากพระโอษฐ์แห่งองค์สมเด็จพระจินสีทีปังกรเจ้าว่าจากได้สำเร็จซึ่งพระพุทธภูมิในอนาคตภายภาคหน้าครั้นได้สวนาการกุมารีงามโสภาชาวปัจจันตะคามเจ้ามาตั้งความปรารถนาจะได้ตนเป็นสามีเฉพาะพระพักสมเด็จพระทีปังกรพุทธเจ้าอย่างตรงแท้ตามระษาใจนางเช่นนั้นก็ให้พลันสะดุ้งตกใจเป็นล้นพ้น ทั้งนี้ก็เพราะว่าในขณะนั้นตนเป็นผู้ได้บรรลุถึงฝั่งแห่งฌานสมาบัติอันจัดเป็นวิคัมพนาวิมุตต์กิเลสราคะสงบซบอยู่ด้วยอำนาจแห่งกำลังฌานจะได้มีตันหาความอยากได้ใครดีในานางกุมารีน้อยแม้แต่สักนิดหนึ่งก็หาไม่ได้ดังนั้นท่านสุเมธทฤสีผู้มีฤทธิ์จึงมีวาจากล่าวห้ามปรามความปรารถนาแห่งเจ้าสมิตากุมารีขึ้นว่า ดูก่อนเจ้าผู้มีพักอันเจริญอันความปรารถนาแห่งเจ้าที่จะได้เราเป็นสามีนี้แม้จะเป็นความปรารถนาที่ดีแต่เราจะได้ชอบใจด้วยแม้แต่สักนิดหนึ่งก็หาไม่ได้ขอเจ้าจงถอนความปรารถนาเช่นนั้นเสียในการรบัดนี้ขอเจ้าอย่าพึงกระทำความปรารถนาอย่างนั้นเลยจงปรารถนาอย่างอื่นเถิดสุมิตากุมารีสาวงามแห่งปัต จ, จันตคาม ซึ่งมีความปรารถนาในใจอันมั่นคงแรงกล้าแม้จะถูกรือสีออกวาจากล่าวห้ามปรามแทนนี้เป็นหลายหนหลายครั้งนางก็ยังยึดมั่นอยู่ในความปรารถนาดั้งเดิมหาแปลไปเป็นอื่นไม่สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถที่ปังกรบรมศาสดาจารย์พระองค์ผู้ทรงมีพระญาณอันไม่ขัดข้องในทุกกรณีเมื่อทรงอาวัชนาการดูเหตุจากพึงมีในอนาคตการแจ้งประจักษ์ในพระญาณ จึงทรงมีพระมหากรุณาตัดแก่สุเมทธทดาบทว่าดูก่อนสุเมธดาบทเอ่ยตัวท่านอย่าได้ห้ามซึ่งความปรารถนาแห่งกุมารีน้อยนี้เลยด้วยว่าในอนาคตการภายหน้าเมื่อตัวท่านบำเพ็ญพุทธบารมีธรรมเพื่อบ่มพระบรมโพธิญาณให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์นั้นกุมารีมีจิตมั่นคงนี้จกเป็นที่พึ่งอาศัยของท่านและท่านจากได้บำเ พ, พ็ญบารมีเป็นภริยาทานบริจาค ในการภายหน้าได้ก็โดยอาศัยกุมารีนี้และเป็นปัจจัยสำคัญดูก่อนสุเมทธทดาบทเอ่ยถึงเราตถาคตนี้เมื่อยังสร้างพระบารมีท่องเที่ยวอยู่ในกระแสวัตะสงสารได้อาศัยสตรีภาพจึงมีโอกาสบำเพ็ญภริยาทานเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอท่านจงอย่าห้ามความปรารถนาแห่งนางจงปล่อยให้เป็นไปตามระษาแห่งใจนางในการระบาดนี้เถิดสุเมทธทดากี ไสวรรคการพระพุทธดีกาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสวัสดีภาคชนนี้ก็มีความเลื่อมใสเชื่อฟังด้วยดีน้อมเสียนสีโรดอันทรงไว้ซึ่งชดารับพระพุทธดีกาว่าสาธุสาธุดังนี้แล้วก็ค่อยคลานออกมาเพื่อเปิดโอกาสให้อสมเด็จพระพุทธองค์ทรงพาพระภิกษุสง์เสด็จพระพุทธดําเนินไปยังปัจจันตคามตามคําอาราธนาของชาวประชาต่อไป คลันล่วงทัศน์วิสัยสมเด็จพระพุทธองค์และสงบริษัทแล้วสุเมธทารือีมหาบุรุษก็อุดท้าการลุกขึ้นจากลักษณะการที่หมอบคลานหากแต่ยังมีดวงมานเต็มไปด้วยความปรีดาปราโมทจึงไม่ได้เคลื่อนกายไปไหนกลับทำบันลังนั่งสมาธิคำหนึงด้วยปิติว่าเราเป็นผู้มีฌานชำนานเป็นอันดีมู่ฤอีทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุจะได้มีอิทธิวิธีรม และความสามารถเสมอโดยตัวเรานั้นหามิได้เพราะว่าเราได้อาศัยสมาบัติธรรมมากมั่นอยู่ในสันดานจึงได้สเสวยความสุขสิ้นเสื่อมกายวิการเห็นปานดังนี้การเมื่อสุมเมธทฤสีนั่งบรลังสมาธิอยู่นั้นบรรดาเท พ, พเจ้าทุกถิ่นสถานในโลกจักรวาลต่างก็พากันมาประสา น, ส น, นาศัพท์นฤนาตกล้องแท่สองสาธุการถวายพรว่าข้าแต่ท่านฤศี ัวท่านนี้จะได้ตรัสแก่พระปรมาพิเศษสำโพธิยานสำเร็จเป็นองค์พระบรมโลกุตมาจารย์เป็นที่เที่ยงแท้มิได้แปรปรวนพิปริตขอท่านจงตั้งจิตถือมั่นผูกพันความพยายามอย่าให้ความเพียรนั้นกลับถอยน้อยลงไปจงทำวิริยะบรารมีให้ยิ่งใหญ่เพื่อได้ตรัสเป็นองค์สมเด็จพระชินสีตรีโลกนาฏเจ้าต่อไปให้สมกับพระพุทธดีกาพยากรณ์ในวันนี้เถิดเจ้าข้า สุมเมธทารือศีมหาศัตว์เมื่อได้สดับคำอ่ำนวยพรของทวยเทพพเจ้าดังนั้นก็ยิ่งมีกมวลมั่นคำหนึ่งบินิจฉัยถึงพระพุทธฎีกาพยากรว่าธรรมดาพระพุทธภาคกยากาถาคือพระพุทธฎีกาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายนี้ย่อมเป็นสุภาษิตจะได้วิปริตผิดพจนะกระแสแปลไปสองหรือเป็นสภาวะศูญย์เปล่าไม่ได้เป็นจริงนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ พระองค์ดำรัสอัดทคดีสิ่งไรสิ่งนั้นย่อมเป็นไปแน่แท้ดังกระแสะพระพุทธบัญหารพระโพธิยาณแห่งเราคงจะสำเร็จสมประสงค์เป็นแม่นมั่นเรานั้นคงจะได้ตรัสเป็นพระสัพพันญูพุทธเจ้าอย่างเที่ยงแท้ครัําำนึงถึงวินิจฉัยชนนี้แล้วคือเมธทรือสีจึงพิจารณาทศบารมีรมทั้งปวงสืบไปด้วยอานาจอภิญญาฌานสมาบัติที่ตนชนานาญแล้วด้วยดีเป็นวสีภาพ แล้วก็ทราบชัดว่าโพธิีปริปาชนะธรรมสําหรับบ่มพระพุทธภูมินั้นตนได้สั่งสมมามากมายชั่วระยะเวลานานหลายอสงไขยทีเดียวเป็นด้วยเดชะมหานุภาพที่พระดาบทนั่งพิจารณาบา ร, รมีที่เคยสร้างไว้ในขณะนั้นพอการพิจารณาพุทธบา ร, รมีธรรมอันยิ่งใหญ่จบลงก็พลันบันดาลให้บังเกิดโกลาหลทั่วพิภพบจบสกลพระสุธาดล พื้นปฐพีก็มีอันกล้องกึกพิลึกสนันวันไว้ประหนึ่งว่าจะแตกทำลายลงคราทีนั้นบวงมหาชนในปัจจันตคามต่างก็พากันล้มสยบบาดเสียวอยู่ไม่ได้ล่วงรู้เหตุร้ายดีประการใดล้วนแต่ตกใจกลัวแก่เหตุการณ์ข้างที่ร้ายนั่นแหละเป็นกำลังจึงรีบพากันเข้าไปเฝ้าสมเด็จพระธีปังก่อนสัมพุทธเจ้าแล้วกราบทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาโกลาหนนี้ปรากฏมีขึ้นด้วยมหาศักดานุภาพของทวยเทพอินพรหมยมยักษ์หรือลือศีศักศิธิ์อสูรนาครุฑตนใดข้าพระบาททั้งหลายจะได้ทราบก็าหาไม่จากเป็นมหาวินาศสะพยัยบีทาโลกธาตุหรือจากเป็นด้วยอำนาจอุปัตทวการบาปกรรมสิ่งใดประดามีหรือว่าจะเป็นสวัสดิมงคลประการใดขอสมเด็จพระจอมไตรโลกนาศ ทรงสแสดงเหตุให้ฆ่าประบาททั้งปวงได้ทราบด้วยเถิดพระเจ้าข่าสมเด็จพระธีปังกอสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงมีพระพุทธดำรัสแสดงเหตุมหาโกลาหลแก่มหาชนในที่นั้นว่าดูราท่านทั้งหลายขอท่านทั้งปวงจงอย่ามีความสะดุ้งหวาดเสียวต่อภัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเหตุที่เมธนีคือแผ่นดินเกิดกึกก้องโกลาหลกำเริบขึ้นนี้ก็เพราะเหตุที่เราทถาคต ได้พยากรณ์สุมเมธธดาบทว่าเธอจะได้ตัดสเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตการบัดนี้สุมเมธธดาบทนั้นเธอคำหนึง่งวินิจฉัยถึงบา ร, รมีธรรมของตนมหาโกลาหนจึงปังเกิดมีขึ้นด้วยเดชะอำนาจคุณบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์สุมเมธธดาบทนั้นเป็นสําคัญหมู่มหาชนครั้นได้สดับพระพุทธฎีกาดังนั้น ต่างก็มีกมนสมนัดประสันนาการในสุเมธทารสียิ่งนักหนารีบพากันจัดประทีปทูบเทียนบุปผาสุมาลัยออกไปประชุมกันส ก, การะบูชาต่างคนต่างก็ออกโอดออกวาจาเป็นมัธุระอัฏถวาทีด้วยคำอันเป็นมงคลเป็นต้นว่าข้าแต่ท่านดาบดขอให้ท่านได้ตรัสเป็นองค์สมเด็จพระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการภายภาคหน้าให้สมจริง ตามพระพุทธดีกาพยากรณ์นั้นเถิดเจ้าข้าแม้ปวงเทพพยาดาในสกลเทวสถานทั่วโลกกระธาตก็พากันมากระทําสการะบูชาด้วยทิพยสุคนธามาไหลางามเลิศต่างๆทิ้งโปรยปลายลงมาจากนภาอากาศมากมายราวกับว่าหาฝนยังปฐพีดลบริเวณนั้นให้เต็มด้วยทิพยบุพภา น, านาพันแล้วก็พากันบรรลือสรรสาธุการ เรียกพร้องร้องถวายเทพพรมมงคลว่าข้าแต่สุเมธดาบทผู้เจริญวันนี้ตัวท่านมีมหาลาภและประสบกองบุญอันยิ่งใหญ่ได้แล้วซึ่งคำพยากรณ์จากสำนักสมเด็จพระทีปังกอนทศพลยานขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จสมตามมโนปณิธานขอท่านจงได้ตรัสแก่พระปรมาพิเศษสัมโพธิยานสาเร็จเป็นพระตรีโลกนาถศาสาจ า, ารย์ สมตามพระพุทธธรรมนายอันหนึ่งสมเด็จพระไตรโลกนาถศสาสดาาจารย์พระองค์ที่ล่วงแล้วมาทุกพระองค์ล้วนแต่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีถึงที่สุดแล้วก็ได้ตรัสรู้พระนุตรสัมมาสัมโพธิญาณสถิตเหนืออัปราชิตบันลังและได้ทรงแสดงพระธรรมจักรเทศนาอันเป็นพระพุทธประเพณีสืบมาฉันใดขอท่านดาบทรงบาเพ็ญพระบารมีให้ถึงที่สุด แล้วสถิตเหนืออัปราชิตะปัญลังแสดงพระธรรมจักเทศนาเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ล่วงมาแล้วนั้นเถิดอันหนึ่งนาทีแม่น้ำน้อยใหญ่ใดๆย่อมมีกระแสชนอันไหลหลังมาสู่มหาสมุทรทั้งหมดชั้นใดขอท่านดาบทจงได้ตรัสรู้พระนุตระสัมมาสัมโพธิญาณสำเร็จเป็นองค์อัคระมหามกุฏอาจารย์จอมโลกเป็นที่ไหลามาแห่งบรรดาประชาสต์ทั่วโลกธาตุทั้งหลาย ดังมหาสมุทรทะเลใหญ่เป็นที่รวมแห่งกระแสชนฉะนั้นเมื่อท่านสุเมธทารือีผู้มีฤทธิ์เป็นมหัสจรได้ทัศนาการเห็นหมู่เทพพยาดาและมนุษยะนิกรมาสมมสรประชุมกันกระทำสักการะบูชาและอำนวยสุภาพพ ร, พรให้กับตนดังนี้ก็มีความปรีดาสมนัดว่าการอนาคตกำหนดอย่างอีกสี่อสงไขยกับเศษอีกแสนมหากัพเท่านั้นเราก็จะได้ตรัส พสัพพัญยุตยานเป็นสมเด็จพระตรีโลกาจารย์พุทธเจ้าอย่างเที่ยงแท้ครั้นคำหนึงน่งนึกแน่แก่ใจตนชนนี้สุมเมทธทฤสีซึ่งเป็นดาบทผู้มีฤทธนั้นจึงอธิษฐานมั่นด้วยวิริยบารมีหลวงเอาพระพุทธคุณมาเป็นอารมณ์น้อมกายบ่ายพักถวายบังคมเฉพาะทิศอันเป็นที่สถิตอยู่แห่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ปังก่อสัมพุทธอะอรหันแล้ว ก็มีใจผ่องแผ้วอธิษฐานให้บังเกิดฌานอภิญญาเฮอทยานว่ายฟ้าบ่ายหน้าไปยังมหาอารันอันเป็นที่อยู่แห่งตนครั้นสิ้นชนมายุแล้วก็ได้ไปอุบัติเป็นพระพมผู้วิเศษสถิตเสวยพรห ม, มสมบัติเป็นสุขอยู่ณนะรูปประพบพรหมภูมิโดยอำนาจฌานสมาบัติอันจัดเป็นวิขำพนะวีมุิที่ตนได้บรรลุแล้วนั้นพิมพายโสธราเทวี สุมเมธท่มหาพรมผู้มีพระพุทธบารมีเศรษพรมสมบัติเป็นสุขอยู่ณรูปภพพรหมภูมิโดยควรแก่การแห่งพรหมอายุไขแล้วก็เคลื่อนแคล้วมาอุบัติเกิดในกามาวจระภูมิอีกเป็นเวลานานหลายแสนหลายล้านชาตินักหนาโดยที่บางชาติก็อุบัติเกิดเป็นเทวดาในสวรรคเทวโลกบางชาติก็บังเกิดเป็นมนุษย์ในมนุษย์สโลกเหล่านี้และบางทีก็ไปเกิดเป็นสัตวเดรฉาน ด้วยอำนาจแห่งวัฏฏะสงสารบรรดาลให้เป็นไปจนการเวลาล่วงไปได้ถึงสี่อสงไขกับเศษอีกแสนมหากับตลอดเวลาอันแสนจะยาวนานนี้อดีตสุเมธทฤษีผู้ได้รับลัทธยาเทศจากสำนักสมเด็จพระมิ่งมงกุฎที่ปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เฝ้าสั่งสมอบรมพระบารมีอันเป็นเครื่องบ่มพระโพธิญาณเรื่อยมาไม่หยุดยั้งทั้งนี้ ก็พระเหตุที่มีหารุไทยปลูกผันมุ่งมั่นปรารถนาแต่พระสัมโพธิญาณพุทธบารมีเป็นสำคัญมีอัตถวรนนาที่พระโบราณอาจารย์พรรณนาถึงการสร้างพระพุทธบารมีไว้ว่านับแต่ชาติที่เป็นสุเมทธทฤสีนั้นพระนิยโตโพธิสัตว์ซึ่งจะได้มาตรัสเป็นพระสมณะโคดมบรมครูเจ้าแห่งเรานี้ได้เคยสร้างพระพุทธบารมีมาเป็นเอเกอ น, นันต์กล่าวคือ เพียงแต่บริจาคโลหิตในวรากายให้เป็นทานถ้าจะประมาณกาหนดหมายก็มากกว่ากระแสน้ําในมหานาทีเพียงแต่บริจาคบางังสะคือเนื้อในวรากายให้เป็นทานถ้าจะประมาณกาหนดหมายก็มากกว่าพื้นแผ่นมหาปฐพีเพียงแต่ตัดเสียงเกล้าเกศโมลีให้เป็นทานถ้าจะประมาณกาหนดหมายเอามารวมกองไว้ก็จะได้กองใหญ่สูงกว่ามหาสีเนรุราชบันพศ เพียงแต่ควักไยนาทั้งสองซ้ายขวาให้เป็นทานถ้าจะประมาณกำหนดหมายก็จะได้มากกว่าดวงรารากรนในนภากาศปรากฏว่าเป็นเวลามากมายหลายชาติทีเดียวในการครั้งยังต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัดตะสงสารเพื่ออบรมบ่มพระสัมโพธิญาณพุทธบารมีอยู่นี้ที่อดีตสุเมทธทารืศีได้เป็นสามีร่วมรักกับเจ้าสุมิตากูมารี ตามแรงอธิษฐานของนางเมื่อครั้งถวายดอกอุบลแปดดอกแด่สมเด็จพระธีปังก่อนพุทธเจ้าบางคราวเกิดเป็นมนุษย์บุรุษสตรีทั้งสองก็ต้องเป็นคู่สามีภริยากันแม้บางคราวจะเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานก็ได้เป็นคู่สู่สมพี่รมรักไม่พรากจากกันไปได้ตลอดการอันแสนจะยาวนานถึงสี่อสงไขกับเศษอีกแสนมหากับนี้ในชาติอันเป็นที่ปัดฉิมสุดท้าย สุเมธทารือศีและสุมิตตากุมารีบุรุษสตรีซึ่งเป็นสามีภรรยาคู่สร้างกันมาแต่ปางบันสุดที่จะนับประมาณชาติที่เกิดได้นั้นต่างก็พากันมาบังเกิดในมนุษย์สโลกเหล่านี้โดยสุเมธทารือศีได้มาอุบัติในขัตติยะตะกูลนค ก, กรุงกบิลพัทบุรีทรงพระนามว่าเจ้าฟ้าชายอังคีรสราชกุมารหรืออีกพระนามหนึ่งว่าเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมาร ส่วนทุมิตากุมารีสาวโสภาแห่งปัจจันตคามคู่สร้างได้มาบังเกิดในขัติยะตระกูลน ก, กรุงเทวทหานาครเป็นเจ้าฟ้าหญิงทรงโฉมวิไลลักษณ์เมื่อทรงจำเริญวัฒนาแล้วก็ได้เป็นเอกอัครมเหสีของเจ้าฟ้าชายสิทธัตถราชกุมารแห่งกรุงกบิลพัสบุรีทรงพระนามว่าพระพิมพยาโสธราเทวีราตรีการวันหนึ่ง เจ้าฟ้าชายสิทธัตถะราชกุมารผู้มีพระพุทธบารมีเต็มเปี่ยมในขันธสันดานอยู่แล้วทรงฟื้นจากนิทรารมสถิตนั่งบนบันลลังก์อาจอันมีความวิเศษประหนึ่งทิพระบัลลังก์แห่งสมเด็จพระอมรินทราที่ราชได้ทอดทัศนาเห็นอาการวิปลาสของคณานางบริจาริการาชนารีทั้งหลายให้มีพระไัยสังเวชยิ่งนักพิจารณาเห็นสังสารโทษเป็นอันมาก ทรงปรารถนาจะออกสู่มหาพิเนศกรมในราตรีนั้นจึงตรัสสั่งฉันนอาอมัดให้ไปผูกพยาม้ากันธกะอัศวราชซึ่งเป็นม้าพระที่นั่งเตรียมไว้แล้วทรงมีพระประสงค์จะไปทอดพระเนตรเจ้าราหุลโอรสซึ่งประสูติแต่พระพิมพายาโสทราเทวีเมื่อไม่นานจึงอุดท้าการเสด็จบทธจรสู่ห้องสิริขับสายญาติแห่งพระอัครมเหสีพิมพยโสทรา เผยวาวรห้องเห็นแสงประทีปชวาลาส่องสว่างทอดศัศนาเห็นเจ้าพิมพาราชเทวีบรรทมหลับสนิทเหนือพระแท่นที่สิริสายญาตอันดาษไปด้วยสุคนธมาลาประมาณอัมพะหนึ่งคือ1้7ยนานและพระพิมพาราชเทวีนั้นทอดพระกระดริษฐานเหนือพระเสียงพระราชโอรสบ่มิได้รู้สึกพระองค์ทรงหยุดยืนเหยียบพระบาทบนธรณีพระถารเล็งแลพระราชบุตร และพระราชเทวีแล้วทรงรำพึงว่าหากอาตมะจะยกหัดเจ้าพิมพายอดสเสน่หาเพื่อจักอุ้มอำลาเจ้าราหุลโอรสรักก็น้าที่เจ้าพิมพพาจาักตื่นฟื้นจากนิทราลมเมื่อเป็นเช่นนี้อันตรายแห่งมหาพิเนศกรมจักพึงมีอยากระนั้นเลยอาตมาจะกอดใจไว้ก่อนต่อเมื่อได้สำเร็จแก่พระสันเพชชุดายานอันบวรแล้ว จึงจะกลับมาทัศนาพระรูกแก้วและเจ้าพิมพาเมื่อภายหลังเมื่อเจ้าฟ้าชายสิทธัตถะราชกุมารบรมโพธิสัตว์ผู้มีพระอรหัตตคุณพุทธบา ร, รมีญาณแก่กล้ากําหนดพิจารณาระงับเสียซึ่งความสเสน่หาในบุตรและเจ้าพิมพาคู่สร้างบารมีชะนี้แล้วก็ตัดสินพระไทยยกย่างพระบาทจากธรณีพระทวารเสด็จคมนาการโดยด่วนออกสู่มหาพิเนศกรม ทรงบำเพ็ญทุกระกิริยาเพื่อแสวงหาซึ่งวิมุตติธรรมความหลุดพ้นเป็นเวลาชานานถึง6กพันปาก็ได้บรรลุปรมาพิเศษสัมโพธิยานสำเร็จเป็นเอกองค์พรมรรสรราสสดาจารย์ทรงพระนามว่าสมเด็จพระมิ่งมงกุฎสมณะโคดมสมจริงตามพระพุทธดีกาที่สมเด็จพระทีปังกอพุทธเจ้าทรงทานายไว้แต่ปางบพระกาลุทายีพานาณาสทรวิถี จะกล่าวถึงสมเด็จพระเจ้าสิริสุดโธธนะราชาธิปดีซึ่งทรงเป็นพระพุทธบิดาตั้งแต่เจ้าฟ้าชายประวรลดานานัยเสด็จออกสู่มหาพิเนสกรมก็ทรงโศกเจ้าและคอยสดับข่าวอยู่เนืองๆครั้นทรงทราบว่าเจ้าฟ้าราชาโอรสได้ตรัสแก่พระประมาพิเศษสัมโพทิยานสำเร็จเป็นเอกองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมศาสดาจารย์แล้วก็ทรงมีพระทัยผองแผ้ว ปรารถนาจากได้ทอดทัศนาองค์ปิโยรสแห่งตนทรงใช้อมาศผู้ใหญ่ถึงเก้าคนพร้อมกับบริวารให้ไปอาราธนาให้เสด็จกลับมายัางกรุงกบิลพัทถึง9้าครั้งก็เงียบหายไปไม่ได้ผลพระชนเหล่านั้นพากาันออกบวชในสำนักแห่งองค์พระสัพพันธอยู่เจ้าเสียสิ้นในที่สุดทรงพิจารณาเห็นแต่อมาศผู้หนึ่งซึ่งมีนามว่ากาลุทายีอมาศว่า เจ้าการุธายีผู้นี้เป็นสัพพัทธะสาธามารสํสำเร็จในสัพพราชกิจแล้วก็เป็นผู้ที่ไว้ใจใช้ชิตสนิทเสน่หาเกิดร่วมวันทันเวลาประสูติแห่งปิโยรสได้เป็นสหายเพื่อนเล่นฝุ่นทรายมาด้วยกันแต่ยังทรงพระเยาว์เข้าใจว่าเจ้าการุธายีผู้นี้เห็นทีจะใช้ได้เป็นมั่นคงจึงทรงให้เรียกมาสู่ที่เฝ้าแล้วตรัสว่าดูก่อนพ่อการุธายี เรานี้มีความปรารถนาจะได้เห็นปิโยรสแห่งเราผู้จากไปนานเฝ้าใช้อามาต์ผู้ใหญ่ไปหลายคนแล้วก็ยังไม่ได้การและตัวเรานี้ก็แก่เท่าแล้วจะมีชีวิตอันตรายเมื่อใดก็ไม่รู้ได้เมื่อมีชีวิตอยู่ก็ใครที่จะได้เห็นพักโอรสรักเจ้าจากอาสาไปทูลอาราธนาสมเด็จพระบรมศ า, ศาสดาผู้เป็นปิโยรสแห่งเราให้เข้ามายังกรุงกระบิลพัฒน์นี้เพื่อให้เราทัศนาสมประสงค์ จะได้หรือไม่ได้ประการใดการลุทธายอมมาดผู้มีปริชาก็กราบบังคมทูลรับอาสาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นนรบดีข้าพระบาทนี้จะไปทูลเชิญเสด็จพระบรมสัรเพชบวรดานัยของพระองค์ให้มาสู่พระนครจงได้ดังพระราชประสงค์แต่ขอจงทรงพระกรุณาโปรดอนุญาตให้ข้าพระบาทได้บัรพชาด้วยเถิดพระเจ้าข้า เจ้าปรารถนาจะบรนประชาหรือไม่ประการใดก็ตามแต่ชอบใจของเจ้าเถิดเรานี้ไม่ได้ขัดแต่ขอให้ได้ทัศนาการพระปิยบุตรสมดุลกระมนปรารถนาในคราวนี้ก็เป็นที่ยินดีแห่งเรายิ่งนักแล้วการุธายีอามาดได้สดับพระราชดำรัชนี้ก็จำทูลพระราชสารไปกับบุรุษปริวานพันหนึ่งถึงกรุงราชครือแล้วเข้าสู่พระเวลุวันไปในเวลาที่พระพุทธองค์ตรัสพระสัทธรรมเทศนา จึงหยุดอยู่ณที่สุดแห่งหมู่บริษัท ต, ตั้งใจสวนาการพระสัทธรรมเทศนาในไม่ช้าก็สามารถส่งกระแสใจไปตามพระพุทธดีกายังวิปัสนาญาณให้จำเริญวัฒนาการขึ้นตามลำดับจนได้บรรลุพระอรหัตผลญาณอันเป็นปฏิบัตสตทิวิมุตติจึงขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาก็ทรงมีพระพุทธดีกาโปรดประทานอุปสมบท ให้ด้วยเอหิพิกุพันประชาแต่เพลาวันนั้นท่านพระกาลุทายีอรหันใหม่พักอยู่ที่เวลุวันเหมืองราชฤกษ์ได้เจ็ดวันพิจารณาเห็นว่าการระบัดนี้ถึงฤดูร้อนมนุษยัยนิกรทั้งหลายก็เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วและมักคาที่จะเสด็จไปกรุงกบิลพัดก็ชุ่มชื่นดืนดาด้วยตีน้าชาตินาน า, นาพันพื้นพนสัสสนั้นก็เรียรายไปด้วยบุปาชาต อันหนนล่งเรือนกลาดพระสุธาสมควรที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจากเสด็จพระพุทธดําเนินไปโปรดพระพุทธบิดร น, หนมหานครกบิลพัทและสงเคราะห์พระกัตติยาวงศักยาราชยิ่งนักแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็มีจิตผ่องแพ้วเข้าไปสู่สํานักสมเด็จพระชินสีเจ้าในวันเพ็ญพักุลนมาตถาวายอภิวาทแล้วก็กล่าวสรรเสริญสนธิวิถีสะดุดีคุณแห่งมรรคค่ะ เพื่อประโยชน์จะให้เสด็จพระพุทธลีลาไปสู่นครแห่งพระพุทธบิดาโดยในยยะอันวิจิตพิสดารว่าข้าแต่สมเด็จพระสัพพันดูเจ้าผู้ทรงสุภสวัสดิ์เจริญด้วยสิริโสภาคการละบัตินี้อรัญญารุกชาติทั้งหลายล้วนส่งไว้ซึ่งเรือนพุ่มอันงามผัดเสียซึ่งใบแก่ออกใบอ่อนกอบด้วยช่ออรชรผลซึ่งผลโสพลไพรโรดไปทั้งป่า ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงมหาภิริยภาพในสมัยนี้สมควรที่องค์สมเด็จพระชินาศีเจ้าพระองค์ผู้มีพระชวีพันธะโอภาษ์แผ่ออกจากพระสรีระกายจะเสด็จพระพุทธลีลาไปโดยสนลพนัทนั้นอันหนึ่งรุกชาติทั้งหลายวิจิตไปด้วยยอดแดงออกใหม่มีพันณะอันแดงประดับไปด้วยใบระบาดอ่อนทุกกิ่งกา้านปานประหนึ่งว่ารัตนมนต์กปกป้องรเบื้องบน สนละมากทั้งสองข้างอรัญญวิถีก็มีพฤกษาชาติหลายหลากล้วนทรงกุศลชาติเบ่งบานหอมระรื่นรสสุขคนธาควรเจริญใจบ้างก็ทรงผลดิบหามสุขสวัยอนเนกประการล้วนเป็นพลาหานอันกรอบด้วยโอชารสควรจะบริโภคบันเทาเสียซึ่งความอยากกำงับความกระวนกระวายใบยพฤกษาชาติทั้งหลายล้วนมีโอภาษอันเขียวครุวนาดุดกรรหางแห่งลุกยุง มีสาขาเรื่นโรมนิยสถ า, านปานประหนึ่งว่าจะทักชวนชนที่เดินทางทั้งหลายให้หยุดพักพำนักให้เหือดหายกายที่เหน็ดเหนื่อยมามีทั้งสูมทุมพุ่มระดาประดับด้วยบุทรยมาลีแลประหนึ่งมนดบดูชัดชื่นช่ออรชรนอุดมฝุงขจรเกสรกุูลสวรถตลบระเวงไพรสัพพคณาวิหกน้อยใหญ่วิจิตด้วยนานาพันมีนินลวันเป็นต้นยนตรการตา ต่างไขาขานสับโดยภาษาดุดประมด้วยมัทุระสำเนียงสนอควรจะเปรมปรีอีกทั้งสัตว์จัตุบาทมฤุกชาติก็มีพันธะพิ่ลัยต่างๆบ้างก็เชิดชูหางเหลือบเปล่งเพ่งพิษดวงเนตรงามเจริญตาบ้างก็เล่นทลาไปสู่ทิศานุทิศโดยรอบพื้นภูมิภาคทั้งปวงก็กรอบด้วยหญ้าแพรกพันธะเขียวขจีทั้งกุสมมาลีก็หล่นลงเรียรายอาเกียนไปด้วยทายสะอาดสะอ้านปานประหนึ่ง ดา ด, ด้วยแก้วมุกดาดูผลพรึกษาก็สุกเหลืองรุ่งเรืองดุดสีทองไปทั่วทิศทั้งสนแนวทางก็ราบรื่นดุดแซงสร้างประดิษฐ์ตกแต่งเสมอเป็นอันดีบริเวณพนาลีก็แสนสุขสนุกสำราญดุดทิพยนันทวันอุทยานสวนสวรรค์อันวิจิตรด้วยวิวิทธนานาทูมาชาติล้วนทรงกุสุเสาพะนสะอาดควรจะอภิรมมีทั้งสะโบกขรีอันอุดมเดรดา ด, ด้วยรุกขชาตบุนดริก ปทุมชุ่มช่อชูสวัยกระแสศิลก็เย็นใสบริสุทธิ์เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ไม่ได้บกพร่องละอองเกสรสุขุลทักรจรกระจายมิหายหอมเป็นที่หันสาปราโมทแกหมู่มนุษยนิก่อนอมรบริษัทที่ได้ทอดทัศนาฝูงสกุะปักษาก็ร่าร่อนลงจับอาศัยในอุบลบุปผชาติอันเบิกบานตา่างไขขานสรรสารพิรมชมเชยขู่อยู่สะพรั่งเพรียพร้องจำนันจาอย่างเบิกบาน บ้างก็คาบเอาเกสปรปทุมมานแล้วบินโผลไปโดยทิศต่างๆพรางน้องเสียงแส่สุนทรถ้อยแก่กันบินโกสุมบุประชาตินั้นก็หอมเฟื่องฟุ้งไปในทศที่สาดนอันหนึ่งในเถื่อนสถนธุราชฐานก็มีทั้งคตจสารทรัพมันสัญจรเที่ยวท่องข้ามท้องนาทีคีรีห้วยละหานและรกชัดเปล่งศัพ์โกจะนาดก้องสำเนียงเสียงพิลึก จะได้สดับทั้งเสียงสินทุทาราอันไหลหลังดังครั่นคลึกอุกโคดควรจะพิศวงแล้วจะได้เห็นหมู่โมรคณามีแวววงอลงมกฎในกำหางอย่างแซงวาดดูวิจิตโซภามีโลมาเวียนวะวะับประดับสอดสีขนเขียวะจีคืออินทนินและมีบางหมู่มยุราบ้างก็ย่างย้ายรำแผนแผ่ฟ้อนพร้อมด้วยนิกกรขนายูงยุระญาติอยู่บนยอดมณีบรรพตอันสูง เปล่งมัธุระสำเนียงแข่งขันกันต่างๆบางเหล่าคณานกอนเนกนานาชาติก็พิราชด้วยสีขนโสพลภัยจิตสถิตบนคีรีรายเรียงเปล่งสับซ้องเสียงเซิงแซ่สดับโสดเสนมโนพิรมบนเนินสิงขรพนมก็อาเกียนเดรดาษด้วยบุปภาชาติเบ่งบานล้วนทรงสุขคนทะหอมหวานเฟื่องฟุ้งรุ่งเจริญจิตพื้นภูมิภาคภู ผ, ผา ก็โสภาพัรณะภัยโรดรุ่งเรืองไปโดยรอบกอบด้วยห้วยเหวละหานทานเสาะชมระรินสินธุฟองฝอยยอ้อยหยาดกระเซ็นส่านปานประหนึ่งวัดโสทกตกแต่ที่คำพระากาศเยือกเย็นเช่นหยาดทิพย์อุทกทาราสวรรค์ในนันทโบกขอรณีแห่งเท้าเทพโกศสักกะเทวราชก็ป่านกันอันหนึ่งทั้งสองข้างอรั ญ, ญมักาก็เรียงรายระดับด้วยบึงบอ่อท่อทาน ควรจะเบิกบานบันเทิงจิตแห่งพระโยคาวัจระบรรพชิตที่บำเพ็ญเพียรเล่าเรียนจเจริญธรรมคันถธทุระสมถะวิปัสนาตามระยะมรกคาก็มีคามนิคมอุดมด้วยอาหารพัตตนานับประการมิได้กันดารด้วยบินทบาทบรรดาอเนกนรชาติก็กรอบด้วยศรัทธาปรารถนาจะใครพบเห็นพระทศพนล้วนแต่นขนวาวในการกุศลสรพรสิ่งสุดจริตอันหนึ่งพื้นพนาสาวิจิต ด้วยโกสุมเรนูอันตกต้องหมู่พมอนพึ่งผู้และหมู่แมลงทับทองลงดื่นดา่าครึงเคล้าเอารถเรนูบุพชาตินานามีทั้งดงอ้อแฝกคาสองข้างทางธุระพนัดร่มแสงสุริยาครุวานาดุดกลางกั้นด้วยฉัดไปตลอดหนทางในที่ระหว่างทางระยะละยน์ก็มีบ้านตำบลหนึ่งไปโดยลำดักมักคาวิถีเป็นหนทางที่หยุดพักพำนักไม่ได้ลาบาก มีทั้งศาลาและโรงใหญ่กว้างดีมากอีกบึงบ่อพออาศัยเป็นสุขไปทุกถิ่นสถานทั้งสระสวนสนุกสำราญอารมณ์รำงับร้อนวายุรำเพยพัดอ่อนพาเย็นสบายการนี้พื้นนภาอากาศก็กระจางขจ า, ายกระจัดจากเมฆพลาหกไม่ได้ปกปิดกำบังทั้งทิพากรรังสีก็อ่อนแสงไม่ได้จำรัดแรงร้อนกล้าเป็นสมัยที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า สมควรจะเสด็จพระพุทธดำเนินไปโดยอรัญญมักขาในการละครั้งนี้เถิดพระเจ้าข้าอันหนึ่งอันว่าราชธานีซึ่งมีนามบัญญัติว่ากรุงกบิลพัสด์มหานครก็อลังกรด้วยอนเนกนาน า, นาบริโภค พ, พิรมสำราญปานประดุษเทพธานีวิะนั้นเปรียบประดุษบุรีในอุตรกุรุทวีปวิจิตรไปด้วยเชิงเทินและปราการซุ้มวารป้อมข่ภายนอกก็มีคูแวดล้อมโดยรอบ กอบด้วยห้องแห่งสินธุทาราดาดาดล้วนเวนจากโกโมลกุบุทธชาตินานาทั้งทองแถวสถละมัคาอันพิจิตพิษเพียงสุทัศนเทพนครเป็นที่สโมสรสถิตสำนักแห่งอัคระบรมมคัติยะสักยะโอรสราชกุมารผู้ทรงซึ่งโสผลวิภูสน ะ, ะอลังการปานประหนึ่งเทพบุตรบริสุทธสุภาพรนานอมรเทวโลกทั้งองค์สมเด็จพระสิริสุโทโธทนะมหาราชาธิปดี ก็มีพระกะมลอาโภกเพื่อจะทัศนาการซึ่งพระบรมศาสดาจารย์อักขระปิยบุตรเป็นนักหนาแม้ว่าไม่ได้เห็นองค์พระพุทธชินวง์และไม่ได้ทรงสดับพระพุทธดีกาก็คงจะมีพระกะมลอุราแสนโศกาครอบงำสำทวีทเวศบ่มิวายพระหารไทยโทมนัทข้าพระบาทปรารถนาจะให้พระพุทธองค์เสด็จไปเล้าลมประทัยบร ม, มกษัตให้เสื่อมจางโศกาดูลทเวศ เมื่อสมเด็จบรมนรินผู้เป็นปิ่นประชาได้ทอดทัศนาพระพุทธศาสนาก็จะมีพระกระมลปรีดาปราโมดมนโนพิรมคงจะบรรเทาเสียซึ่งความเกลียดตมทุกบำราษอันมีมานานข้าแต่องค์พระบรมศาสดาจารย์ปิ่นปราดประเสริฐด้วยยา น, นวีมุตดการละบัตินี้สมควรที่พระองค์ผู้ทรงเป็นมกุูเกศนิกรประชาเทพามนุษย จากเสด็จพระพุทธดำเนินไปสู่สำนักพระเจ้าสิริสุโทโธทนะพระราชบิดาประชาชนที่มีประโยชน์ด้วยการกระทำนาก็ไถหวานซึ่งพืชพันธัญญาหารได้ผลดีเป็นที่ปรีดาชนชาวพาณิชย์ทั้งหลายที่ไม่ได้กระทำนาก็มาซื้อหาไปสีตํากระทําเป็นตันธุลาชาติและการไร่นาแห่งนิกนประชาราชก็เก็บเกี่ยวแล้วเสร็จสมควรที่จะเสด็จโดยภูมิภาคมัคคาด้วยว่าเมื่อทรงพระกรุณาเสด็จ เป็นพระพุทธลีลาพระจับพิถประภาก็จะแผ่ซ่านออกจากพระพุทธสรีระกายพันณรายรุจิโรภาดทั่วท้องพื้นนภากาศทั้งปฐาภีบรรดาคนทันพิทยาธรกินนอนกินนรีที่สัญจรในพนาเวศก็จะขับร้องท้องศัพท์มัทุรสสรนเสริญพระเดชากุณานุภาพเพลียพร้องไพรเราะสำเนียงสนอสนันไปในไพรสนสนอรัญญมักขา ทั้งมหาขีณาสะวะสงองสาวกทั้งปวงก็เป็นผู้มัดยัยาปราศจากความปรารถนาขนขวายในการเล่นเว้นจากความยินดีในสัทธารมในพนัทพนมก็เป็นที่ระหโหฐานสงบสงัดสมควรที่พระสาวกผู้ทรงอรหัตตะคุณจะควรเสพให้สำาราญด้วยวิเวกจิตดุดสถิตในอารามอรัญยวิหารเสนาธอาจให้สำเร็จบรรพชิตสมณธรรมเป็นอันดี ควรจะเป็นสุขมโนพิรมเจริญซึ่งปิติแห่งพระโยคาวัจระเจ้าอันหนึ่งขอพระพุทธเจ้าจงทรงพระกรุณาเสด็จไปเถิดพระเจ้าข้าจะได้เสด็จจาริกผ่านไปสถิตในคามนิคมชนบทน้อยใหญ่ซึ่งเป็นประเทศที่อาศัยแห่งมหาชนทั้งที่มีวาสนาและไม่มีทั้งหลายได้โปรดเวนัยสัตว์ให้สาเร็จกิจมรรคผลพระอมตมหานิพพานชนทั้งหลายจะได้บาเพ็ญทานต่าง ทั้งอณาปนาหารเสนธนธะาสุขันทะวิเลปนามาลาชาติสัพพะอามิสตานสำเร็จการกุศลโกฏฐถัดในที่นั้นนั้นอีกประการหนึ่งสัพพนรชาติที่มีอิสริยยศและบริวารยิ่งกว่าชนด้วยเดชผลกุศลวิบากหากบำเพ็ญมาแต่ปุเรชาติจะได้กรอบด้วยประสาทศรัทธาประพฤติบุญกิริยาวัตถุต่างๆเพิ่มเติมเป็นปัจจัยในปัจจุบันและอนาคตกางอันหนึ่งเล่า ผลทางธุรสฐานก็โอภาส ด, ด้วยแสงดิสากรเทวราชในราตรีบุพชาติทั้งหลายได้สัมผัสรัชนีกรรังสีก็เบิกบานและสาวพคนทเรนูประการกำจรกระจายจบจังหวัดวนัดเมธนีดลสถนแ ล, และรัศมีแห่งกายสสิธรเทพบุตรบริบูรณ์ดุดใดขอสมเด็จพระจอมไตรโล ก, กนาถตรงยังมโนรสประสงค์แห่งข้าพระบาทให้สาเร็จบริบูรณ์ดุดนั้น และอันว่าเทศกาลนี้ก็มิได้ร้อนนักมิได้เย็นนักพอที่จะอำนวยสุขสำหรัญให้ทั้งกายและจิตเป็นสมัยที่พระสุคตบอพิษจะเสด็จพระพุทธรีลาจาริกไปสู่กรุงกบิลพัทบุรีในการละครั้งนี้แล้วพระเจ้าค้าได้ทรงสดับมทุรสกาถาที่พระกาลุทายีพรนานาสันเสริญคุณแห่งมัคค่าลายโดยนยะวิจิตพิสดารนชนีสมเด็จพระตรีโลกนาถปรมศาสดาจึงมีพระพุทธดีกา รัด ส, สั่งให้พระสงฆ์ทั้งปวงเตรียมการที่จะเดินทางไปกรุงกบิลพัทแล้วก็เสด็จพระพุทธดำเนินแวดล้อมด้วยพระมหาขีนาสวะเจ้าองค์อารหันเป็นบริวารจำนวนสอง0มื่นองค์คือพระอารหันมหาขีนาสวะเจ้าที่เคยเป็นกุลบุตรชาวอังครัฐและมะครธารัตรวมรัฐอื่นๆเสียหนึ่ง่นองค์พระอารหันมหาขีนาสวะเจ้าที่เคยเป็นกุลบุตรชาวกบิลพัทนั่นเองเสีย1 0,000 ่นองค์ ออกจากกรุงาราชคฤต์ดำเนินมาตามสบายไม่ได้ด่วนเร่งร้อนแต่ประการใดเมื่อข่าวการเสด็จพระพุท ธ, ธดำเนินล่วงรู้มาถึงทางกรุงกบิลพัทนั้นบรรดาศักยะวงสารวงทั้งหลายจึงสมโมสรสันนิบาตปรึกษากันว่าพวกเราจะได้เห็นพระญาติผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐในการละครนี้ก็สถานที่ใดเล่าจึงจะเป็นที่สมควรเข้าอาศัยพำนักแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมกับเหล่าพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายในที่สุดก็เห็นพร้อมกันว่าที่อุทยานแห่งพระนิโกระทะสักรยราชกุมาร น, นั้นเป็นธรมนียสถ า, านสมควรที่พระตรีโลกนาฏจักสถิพร้อมกับพระอริยสงฆ์ทั้งหลายจึงให้จัดแจงปลูกสร้างพระคันธกุฎีและที่สังฆเสนนาสนะวิหารให้พอแก่พระสงฆ์อรหันตบริวารสองหมื่นนั้นพร้อมกับเตรียมการต้อนรับสมเด็จพระสัพพัญยู ผู้ทรงเป็นพระญาติที่กอบด้วยคุณอันประเสริฐเลิอดล้นแห่งตนเป็นอันดีครั้นสมเด็จพระชินสีตรีโลกนาศสเสด็จมาถึงกรุงกระบิลพัฒนทรงทอดทัศนาเห็นเหล่าพระญาติจัด ก, การต้อนรับเป็นอันดีเช่นนั้นพระองค์จึงทรงจินตนาว่าสมควรที่เราตถาคดจะทําความเลื่อมใสให้บังเกิดขึ้นในดวงใจแห่งหมู่พระญาติและจากยังหมู่พระญาติทั้งปวงให้ได้ถวายนมัสการเพื่อประโยชน์สดที่ผลในการระบาดนี้ แล้วจึงทรงเข้าจ้าตูทธาชานอธิษฐานอภิญญาสเสด็จเหาะขึ้นไปบนนภาอากาศแสดงอิทธิฤทธิในระมิตรรัตน์จงกรมสถานในคัคขนมพรประเทศสเสด็จจงกรมในที่นั้นซึ่งเป็นจงกรมสถานอันมีอยู่เบื้องบนเหนือสีโรธแห่งพระประยุรญาตทั้งปวงแล้วทรงกระทําปฏิหารวิธีมีประการต่างๆเป็นมหัศจรรย์สมเด็จพระเจ้าสิริสุทธโทธนะพุทธบิดาซึ่งทรงเป็นประธานอยู่ในสถานที่นั้น ขันได้ทรงทัศนาเห็นปาฏิหาริย์มหาสัรจ์จึงทรงถวายอภิวัต น, นาการด้วยความเลื่อมใสและปรีดาเมื่อพระบรมมนาลาทิบดินปิ่นกษัตริย์ทรงถวายอภิวาทบรรดาศักิรยราชองคใดองค์หนึ่งซึ่งจะมีอาการแข็งกระด้างมิได้กระทําวันทนานั้นก็หาบ่ได้ต่างองค์ต่างก็ถวายอัญเชลีพร้อมกันทั้งสิน้นครั้นทรงแสดงปาฏิหารและแสดงพระสัทธรรมเทศนาเสร็จสิ้นแล้ว สมเด็จพระปทิบแก้วมุนินทนร์สัตดาจึงเสด็จลงมาจากน้าผากาดสถิตนิสัชนาการเหนือบวรปัญญัตาอาจอันว่าพระญาติสมาคมในขณะนั้นต่างก็มีกระมลฉันชื่นชมพร้อมเพียงกันเป็นอันดีในที่สุดต่างก็ถวายนมัสการแล้วกลับไปสู่เวียงวังประสาทสถานแห่งตนแต่จะได้ยินยนชาวักยราชผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งจะกราบทูลอาราธนาว่าเพลาพรุ่งนี้ ขออาราธนาสมเด็จพระตรีโลกนาถจอมบุนีจงทรงพระกรุณาโปรดจลาลีไปรับพระตาหารในครือาฐานแห่งข้าพระเจ้านั้นไม่ได้มีเลยแม้แต่สักเสียงเดียวโดยเหตุนี้พอสิ้นสมัยราตรีรุ่งเช้าสมเด็จพระสัพพัญยูเจ้าจึงทรงพระอนุสรพิจารณาถึงบุพผจารีตว่าแต่ปางก่อนครั้งอดีตการเบื้องว่าสมเด็จพระบรมโลกุตมาจาร์ เสด็จมาสู่กรุงอันเป็นชาติภูมิและเสด็จโคจรบินทบาดเป็นประเดิมเริ่มแรกนั้นพระองค์ท่านเสด็จตามลำดับนิวาสถานแห่งอิสระชนหรือเสด็จจรดลโดยลำดับตรอกแห่งบ้านเป็นประการใดแล้วก็ทรงเห็นแจ้งในพระยานอันไม่ติดขัดว่าพระบรมศา ส, าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่อดีตทุกพระองค์จะได้ทรงโคจรบินทบาดไปในคฤหาฐานแห่งอิสระชนนั้นหาไม่ได้โดยที่แท้ แต่ละพระองค์ย่อมเสด็จโคจรบินทบาทโดยสนละวิถีตามลำดับตรอกเรือนแห่งชาวประชาทั้งปวงอันนี้เป็นวงประเวณีแห่งตถากตสืบไปเบื้องหน้าสาวกในศาสนาจะได้ศึกษาบำเพ็ญบินทบาทจาริกวัดตามเยี่ยงอย่างปฏิบัติแห่งตาขาคตเมื่อทรงกำหนดแน่ในวงประเวณีแต่เดิมชนีสมเด็จพระชินสีห์เจ้าจึงพาเหล่าพระขีนาสวะสงจานวนสองหมืองค์ซึ่งเป็นบริวาร เสด็จเข้าสู่กรุงมกบิลพัทแห่งสมเด็จพระสิริสุโทโธธนะราชบิดาแล้วโคจรบินทบาทโดยสปะธานจาริกตั้งแต่ตรอกเรือนที่ถึงก่อนเป็นต้นไปตามอนุกรมบรรดามหาชนชาวเมืองแจ้งข่าวว่าสมเด็จพระลูกเจ้าสิทธัตถราชกุมารเสด็จมาเที่ยวพิขาจาร์บินทบาทถึงนั่นต่างก็พากาันเปิดประตูหน้าต่างแห่งเรือนสองชั้นและสามชั้นแต่ล้วนขนขวายในกิจที่จะเล็งแลดู พระสัพพันธุูพร้อมทั้งหมู่สงบริวารเสด็จเที่ยวพิกขาจาร์บินทบาทอยู่อย่างโกลาหลวุ่นวายนักหนาพระพิมพารำพันกาลครั้งนั้นฝ่ายเจ้าสุมิตากูมารีสาวโสภ า, าแห่งปัจจันตคามผู้สร้างบารมีแห่งองค์สมเด็จพระจินวร์แต่ครั้งศาสนาพระธีปังกอสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งกลับชาติมาเกิดเป็นเจ้าหญิงพิมพาราชเทวี ชนนีแห่งพระราหุลขติยราชจกุมารเมื่อได้สาวนาการเสียงโกลาหลสำเนียงและฤษ์โคสนั่นถึงพระโสดังนั้นพระนางจึงมีสาวนีตรัสถามนางกำนันนิกรเปสกาว่าดูก่อนเจ้าทั้งหลายอันว่าเสียงโกลาหลวุ่นวายนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุปรากฏมีเป็นชะไหนานางกำนันทั้งหลายออกไปสืบได้ความมาแล้วจึงทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้า การละบัดนี้พระราชสามีของพระแม่เจ้าเสด็จมาถึงกรุงคบิลพัทด้วยเพศสมณะครองผ้ากาสาวพัทพระหัตสรงซึ่งบาทบทจรลีลาชเที่ยวพิกขาจารย์ชนทั้งหลายซึ่งเป็นชาวเมืองได้ทอดทัศนาการเห็นแปลกประหลาดจึงเกิดเอกเกิร์กโกลาหนขึ้นเหตุเป็นดังนี้แหลพระแม่เจ้าเมื่อเจ้าพิมพาราชเทวีได้สดับเหตุ ด, ดังนี้ ความที่ไม่เคยคิดฝันและไม่เคยฟังมาแต่การก่อนก็ให้เล่าร้อนรันทดพระหฤทัยโทมนัทตรัสว่าพระลูกเจ้าสถิตในพระนครนี้จะเสด็จไปในที่เท่าใดก็เคยทรงกุญชรชาติพาชีศีวิกาการยานราชรถอันปรากฏด้วยดิเรกราชานุภาพมหือมาก็บัดนี้มาปรงพระโลมามัสสุและเกสาทรงนุ่งห่มผ้าย้อมน้าฝาด พระหัตทรงซึ่งบาทเสื่อมศูนย์พระย ศ, ศักดาเดชหลุดเพศคนจันทานเที่ยวพิกขาจารทรมานพระองค์ไม่มีพระภูสาทรงและอาพรหรือไหนพระสิริวิราชจะแปลกประหลาดเป็นประการใดในคราวนี้น่าสงสารนักอันหนึ่งชะรอยพิมพานี้จะเป็นหญิงการกินีอาภัพอัปลักษ์ธุรพลไม่มีกุศลแต่การก่อนหรือไน จึงเผิญบันดาลให้พระลูกเจ้าบำราดร้างห่างสเสนหาทั้งนี้น่าจะเป็นด้วยอกุศลกรรมกระทําไว้แต่ปูเรชาตพระพัสดาจึงเสด็จนิราชจากไปด้วยหมดอะไรใยดีแต่พิมพ์พานี้ครองชีวิตกินแต่อสุชนทารามาก็ช้านานขัางไกลพระลูกเจ้าไม่มีพระหฤทัยโปรดปรานกรุณาบ้างมาตัดขาดเด็ดเดียวบำราดร้างอย่างประหนึ่งว่าเป็นอื่นไป อนิจจาน่าอนาตใจถึงไม่มีพระอาลัยใหญดีในพิมพ์พาก็หน้าที่จะทรงจินตนามาถึงเจ้าราหุลราชกุมารหนอน้อยบ้างก็ไม่ได้มีตรัดพลังเจ้าพิมพ์พาราชเทวีก็ทรงพระโศกีกรรมสดพิลาบ พ, พระพรักตาอาบด้วยไยนามาพุทธาราพระหัดมุ่นพระเกษาพลังเสด็จอุตหาการโดยด่วนชวนพระราหุลราชโอรส บทจรสู่สีหบัญชรปราสาทด้วยพระไทยปรารถนาจะทอดทัศนาพระพัสดาซึ่งมีข่าวว่าได้ตรัสเป็นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์จึงเผยพระแกเล็งแลดูพระสศพพันญูก็ได้ทัศนาเห็นองค์สมเด็จพระบรมครูพระขวันซึ่งในขณะนั้นพระองค์กําลังทรงรุ่งเรืองไปด้วยทองแถวพระจัาพิทพันธ์รังสีครบบริบูรณ์ด้วยพระทวัดดิงสะมหาบุริสลักขณะ และพระอาสิตยาลุพยัญชนะวิจิตตั้งแต่พระอุณหิตลงมาจนตราบเท่าถึงพื้นฝ่าพระยุคลบาบทไพร่โรดด้วยพระสิริวิราชหาที่จะเปรียบมิได้จึงยกพระหัตถ์ชี้ให้เจ้าราหุลได้ทอดทัศนาแล้วก็มีพระสาวนีพันนาพระบวรรูปแห่งพระพัสดาโดยใจความว่าดูก่อนพ่อราหุลลูกรักพระมหาสมณะผู้มีศัก์ใหญ่ ซึ่งกำลังเสรจเที่ยวโคจรบินธบาตด้วยพระพุทธลีลาอันงามนี้พระองค์ทรงมีเส้นพระเกศาละเอียดอ่อนและวนเวียนเป็นทักษินาวัดมีสีดำสนิททุกเส้นและทรงมีพื้นพระนราดงามยิ่งดุจสุริยมณฑลอันปราศจากมณฑินนอกจากนั้นพระองค์ท่านยังทรงมีพระนาศิกสันฐานยาวและสูงดุจขอแก้ววิเชียนรุ่งเรืองไปด้วยข่ายพระสมีมีพันนาโอพาส เป็นนรสีหราชบุรุษมนุษย์ประเสริฐสุภาพมงคลพื้นพระยุคลบาทมีพันณะแดงประดับด้วยผ้าลายลักษณะวงกลงจักและรอบรูปอัุฐตรสตะมหามงคลร้อยแปประการเป็นบริวารดูก่อนพ่อราหุลกุมารพรานอรสีหบุรุษผู้เป็นมหาสัมมณะทรงศักดาใหญ่นี้มีใช่ผู้อื่นไกลใครที่ไหนโดยที่แท้พระองค์คือพระราชบิดาของเจ้า อันหนึ่งเล่าพระองค์ก็ทรงเป็นสักยราชนะกุมารผู้ประเสริฐสุกุมารชาติมีพระสรีระกายวิจิตงามวิลาดบริบูรณเสด็จมาเพื่อจะกระทากิจให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกทั้งปวงอันหนึ่งพระองค์มีพันพระพักผ่องเพียงสัตว์ทอนบนทนอันบริบูรณ์ในวันปุณหมีทรงเป็นที่รักเลื่อมใสแห่งเทพพยายดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อทรงพระดาเนินไป ก็งดงามประดุจลีลาแห่งพระยาไกรสอนสีหราชมฤกินควรจะบังเกิดโสมนัสแก่ผู้ที่ได้ทัศนาการทั้งพระสุรเสียงของพระองค์ก็สนะสนิทวิจิตคำภิรภาพนฤโกรพระชิวหาและพระโอษก็มีพรรณะแดงเข้มวิสุทธิโสพลพระทนก็ขาวสีสะอาดพิราชดังสีสังพระองค์ทรงบังเกิดในขัตติยะอัครตระกูลอดุลยาชาต สมควรที่นรเทพบ ย, ยดาจากอภิวาสพระบวรบาทยุคนทั้งพระกมลก็กอบด้วยศีลสมาธิปัญญาคุณอันอุดมลำพระสอนั้นเล่าก็กลมดุจกลึงกล่อมพร้อมทั้งพระหานุก็งดงามดุจคางแห่งสีหราชพระสรีระกายก็ไพ่บูรพิราชประดุจ ด, ดังกายท่อนหน้าแห่งพระยาราชเสศีทั้งพระชวีวันก็งามไพโลดวิราชประดุจสีแห่งสุวรรณโอภาษ พระองค์เสด็จยุรยาตไปในถ้ากลางพระอริยสงสาวกคารวณนาดุดดวงจันทร์อันแวดน้อมด้วยคณะดารากำลังลีลาไปในอัมพรประเทศพระนรสีหาบุรุษองค์นี้หรือคือองค์พระปิตุเรศของเจ้านะพ่อราหุลขอพ่อจงรู้จักและจดจำไว้ให้จงดีเถิดเมื่อสมเด็จบรมมกัติยาิราชได้สดับว่าสมเด็จพระลูกยาเสด็จเที่ยวพิการย์โคโจรบินทบาทเช่นนี้ ความที่ไม่ทรงทราบอะไรก็ทรงมีพระห尔ุไถ่กอบไปด้วยความสังเวชอดสูอยู่นักหนาทรงรีบอุดถาการลุกจากพระแท่นที่พระหัตทรงผ้าสาดกศพักพระองค์เสด็จลงจากราชนิเวศบททจรโดยด่วนไปหยุดยืนอยู่ในที่เฉพาะพระพักสมเด็จพระบรมศาสดาแล้วทรงตัดพ้อต่อว่าด้วยความน้อยพระราช哈尔ุไถ่ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าชไหนพระองค์ จึงมาทรงกระทําให้บิดาได้รับความอายขายหน้าเป็นอับปย์มาเที่ยวบททจรบินทบาติอันเป็นการมิสมควรแก่ราชสกุลเช่นนี้เล่าหรือสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงเข้าพระทัยว่าบิดานี้มิอาจที่จะยังพระภิกษุสองฆ์องค์บริวารประมาณสองหมื่นองค์ให้ได้ขบฉันพัฒนาหารเป็นการเพียงพอหรือไรขอพระองค์จงจะได้ทรงกระทําอย่างนี้เลยพระเจ้าค่ะสมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงทรงมีพระราชด âm รัสตร์ตอบพระพุทธบิดาว่าดูก่อนบพิษพระราชสมภารอันว่ามหาสมุติวงสักยราชนี้หาใช่วงประเวณีแห่งตถาคตไม่วงประเวณีแห่งตถาคตเป็นอีกวงหนึ่งต่างหากยิ่งอยู่สมเด็จพระสัพพันญูพุทธเจ้าทั้งปวงจำเดิมแต่พระพุทธทีปังก่อนเป็นต้นลงมาจนตราบถึงพระพุทธกัสปะย่อมสำเร็จกิจเลี้ยงชีวิต ด้วยสปะฐานะจาริกพิกขาจาริกวัฏทั้งสิน้นอันนี้เป็นวงประเวณีแห่งอัตมาตถาคตดูก่อนบ่าพิษพระราชสมภารการเมื่อตถาคตประสูตัณภายใต้มงคลสาลพรพฤกษ์ในป่าลุมพินีวันบังเกิดบุพนิมิตเป็นมหัสจรรสามประการขณะนั้นก็ยังชื่อว่าประเดษสถานอยู่ในมหาสมมุติวงสักยราชและการเมื่อออกสู่มหาิเนศกรม กระทำทุกขกิริยาจนนิสัชนาการเหนือวชิระบัลลังยังพยามาณและผลมานให้อับปราชัยจวบจนได้รู้แจ้งในปุกเพนิวาราลุสติยานตอนปฐมมยามครั้นล่วงเข้ามัชฌิมายามได้บรรลุทิพยจักสุและทิพยโสตยานตอนนั้นก็ยังชื่อว่าประดิษฐานอยู่ในมหาส ม, มุติวงศจักรยราชยังไม่ได้ขาดจากวงเดิมนั้นการเมื่อ พิจารณาพระปฏิจจสมุปบาทปัตยาการตอนปัจฉิมยามเวลาตามพารุณสมัยไขแสงทองสว่างอารามฟ้าได้ตรัสแก่พระปรมาพิเศษสัมโพทิยานสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสัพพานุตญาณการนั้นเป็นอันว่ามหาสมุติวงศักยราชก็ขาดศูนย์ประดิษฐานอยู่ในพระพุทธวงศอันประเสริฐจาเดิมแต่นั้นมา เมื่อมีพระพุทธดีกาตรัส บ, บอกชนีดแล้วจึงตรัสพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธบิดาด้วยสารพระคาถาว่าอุติดทเทลณปรมัดเจยยะเป็นอาธิซึ่งแปลเป็นใจความว่าบุคคลผู้ใดไม่ได้ประมาทในความเพียรอุตสาหะประพฤติในสุดจริต ธ, ธรรมและบุคคลผู้นั้นก็จะนิปัดชนาการเป็นสุขสำราญในอีทะโลกและประโลกเบื้องหน้า พอจบพระคถาลงองค์บรมะษัตริย์สิริสุทโธธนะพระพุทธบิดาก็ได้บรรลุพระโสดาปติผลเลียนสําเร็จเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลแล้วจึงทรงรับเอาบาดและอารัธนาสมเด็จพระสัพพัญยูพร้อมทั้งหมู่อริยสง์บริษัทให้ขึ้นสู่ปราสาทแล้วทรงอังคัดด้วยขาธิยะโภชนียาหาันเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาอาจารย์และพระอริยสง์เสร็จภัตกิจแล้ว จึงหมูนางพระสนมทั้งปวงมีพระมหาประชาบดีเป็นประธานก็พากันมาถวายนมัสการด้วยความเลื่อมใสศรัท ธ, ธาเว้นแต่เจ้าพิมพาราชเทวีไม่ได้เข้ามาเฝ้ากับเขาทั้งหลายในขณะนี้เพียงแต่มีสาวนีสั่งมาว่าอันตัวพิมพานี้ถ้ามีความชอบอยู่บ้างแม้นว่าสมเด็จพระสัพพันธ์ยูสเส ด, ดมาสู่สำนักจึงจกได้ถวายวันนาการพระยุคลบาทต่อภายหลังดังนี้ ครั้นรุ่งขึ้นเป็นวันที่คำรบสองสมเด็จพระพุทธองค์ก็ทรงพาพระอริยสงฆ์สเสด็จพระพุทธดำเนินไปรับพัฒตาหารบินทบาทในพระราชนิเวศอีกตามคำอารัธนาของพระพุทธบิดาเมื่อเสร็จพัตกิจแล้วจึงทรงพระมหากรุณาตรัสเทศนาโปรดพระมหาปชาบดีให้ได้สำเร็จพระโสดาปติผลลยานเป็นพระโสดาบันอริยบุคคล ส่วนสมเด็จพระเจ้าสิริสุโทโธธนะมหาราชพุทธบิดาผู้มียานูปนิสัยก็ได้สำเร็จธรรมวิเศษสูงขึ้นอีกชั้นหนึ่งในวันนี้คือพระองค์ได้บรรลุพระสกะทาคามิผลญาณสำเร็จเป็นพระสกะทาคามีอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาครั้นรุ่งขึ้นเป็นตติยวานรสมัยพอพระสุริยาไขาแสงทองส่องอรารามฟ้าสมเด็จพระรมศาสดา ก็พาพระอริยสง์เสร็จไปสู่พระราชนิเวศตามคําอาราธนาของสมเด็จพระพุทธบิดาอีกเล่าสมเด็จพระปิตุเรศเจ้าซึ่งทรงเป็นพระสกทาคามีอริยบุคคลแล้วก็มีจิตผ่องแผ่วกรอบด้วยพระราชศรัทธาถวายยาคูพัตตาหารอันประณีตแด่สมเด็จพระทศพลและพระอริยสง์องค์ปริวานจํานวนสองหมื่นนั้นครันเสร็จพัฒกิจแล้วองค์พระประทีบแก้วสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ทรงมีพระพุทธดีกาตรัตเทศนามหาธรรมาปาลชาดกฉลองพระราชศรัทธาพอจบพระสัท ธ, ธรรมเทศนาลงองค์บรมกษัตัิย์ผู้มีพระบารมีแก่กล้าก็ได้ทรงบรรลุพระอนาคามิผลญาณอันเป็นปฏิปัตสัติวิมุตติสามในพระพุทธศาสนาสำเร็จเป็นพระอนาคามีอริยะบุคคลฉับพลันเป็นอัศจรรย์แล้วจึงหันพระพักเหลียวแลไปดูหมูนางทั้งปวง เมื่อไม่ได้ทอดพระเนตรเห็นเจ้าพิมพาราชสูนิสาในระหว่างหมู่คณานางทั้งสิน้นสมเด็จพระบรมนรินทร์ปิน่นกษัตริย์สุ ท, โทธโธทนะพระอนาคามีอริยะบุคคลผู้ได้สำเร็จใหม่จึงมีพระราชดำรัสตรัสถามไปในขณะนั้นว่าแม่พิมพาเทวีราชสูนิสาแห่งเราเจ้าสถิตอยู่ณที่ไหนเหตุไรจึงไม่มาเฝ้าสมเด็จพระบรมาศาสดาเพื่อสับพระธรมเทศนาอันประเสริฐในวันนี้ด้วยเล่า ทรงมีพระราชดำรัสถามด้วยความที่ทรงห่วงใยในพระราชสุนิสาชนีแล้วก็ดำรัสใช้เปสษกาบริจาริกานางหนึ่งให้ไปทูลพระราชสุนิสามาในที่ประชุมนั้นโดยไวแล้วก็ทรงกราบทูลพระบรมไตรโล ก, กนาถเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นบรมโล ก, กนาถเจ้าพิมพ์พระราชเทวีสีสะพ้ยแห่งบิดานี้เจ้ามีแต่ทุกข์แต่โศกมาเป็นเวลานา น, านวันนี้ ขอพระองค์จงทรงพระกรุณาอนุเคราะห์ระงับเสียซึ่งหารุไทยแม่สีสะพ้ยอันหม่นไม่ไปด้วยวิปโยคโศกีมาประมาณ 7-8 ็ดปปีด้วยเถิดพระเจ้าค้าบิดานี้เข้าใจว่าเจ้าพิมพาราชเทวีคงจากสิ้นอาดุลทเวศอันรุ่มร้อนหารุไทยในวันนี้เป็นแน่แท้ดังนี้ฝ่ายนางเบสกานารีซึ่งมีศัก์ใหญ่กว่าญิงทั้งหลายในพระราชนิเวศครันรับพระราชโอการสมเด็จพระนฤบดีแล้ว ก็รีบจราลีไปสู่ปราสาทแห่งพระราชสุนิสาได้ทอดทัศนาเห็นเจ้าพิมพาราชเทวีในขณะนั้นแล้วก็ให้บังเกิดความสงสารสุดใจด้วยว่าในขณะนั้นเจ้าพิมพาราชเทวีมีพระกรรชกายสูบสีดเศ้าหมองดีผ่องใสมีครวนาดุดจันทะเลขาในวันการละปักยาตุทธสีราตรีการมฉะนั้นดุดสสิรังสีในฤดูฝน ละคนไปด้วยราตรีแห่งเมฆพลาหกมิฉะนั้นดุดใบไม้อันเหลืองหล่นตกลงจากขั่วมิฉะนั้นดุดอุทกกวารีใสไหลลงในราศีกองฐานเพลิงอันร้อนก็แห้งเหือดพระชวีวันที่เคยผุดผ่องของเจ้าก็เศร้าหมองวิปริตผิดเพือ่อเหี่ยวแห้งอับราศีด้วยเจ้าทรงกำสวดโศกปิยวิปโยคทุกราตรีพระอินทรีถูกไหม้ไปด้วยเพลิงกาวคือความโศกเป็นนิรันดรการ พระแสพระอศัศวชนทานนองพระนายเนตรมิรูว้วัยตรัสโทษหมูนังกำนันทั้งหลายด้วยความฟุ้งซ่านพระหาฤทัยผิดกว่าแต่การก่อนอย่างน่าสงสารดังนั้นนางเปรศการนารีที่ถือรับสั่งเมื่อเห็นว่ายังไม่ได้โอกาสที่จะกราบทูลพระนางซึ่งกำลังตกอยู่ในความวุ่นวายพระหาฤทัยจึงค่อยแอบไปนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งจวบจนถึงการที่พระนางพิมพาราชเทวี ซึ่งมีความทุกโศเข้าครอบงำรวมจิตเป็นยิ่งนักหันพระพักมาทอดพระเนตรเห็นนางทรงศักดิ์ใหญ่ในราชสำนักจึงกวักพระหัตรัดเรียกให้เข้ามานั่งใกล้ๆแล้วก็ทรงราพันปรับทุกข์ให้ฟังว่าดูก่อนเจ้าซึ่งเป็นเพื่อนสตรีการลำบัดนี้เจ้าควรจะสังเวชสงสารเราด้วยว่าสมเด็จพระลูกเจ้าผู้เป็นภระดาแห่งเรานี้ พระองค์ช่างมีกมวลหาฤทัยเยี่ยมเกรียมห้าวสารยิ่งนักเห็นประหนึ่งว่าจะสิ้นเสียแล้วซึ่งความรักและความกรุณาเป็นไฉนเช่นพิมพ์พานี้ไม่ควรจะรองละอองธุลีพระบาทเยืหรือประการใดจึงทรงสลับตัดพระอาลัยไร้ร้างสเสดหหาให้โศกาดูลเดือดร้อนถึงไม่ทรงบีอาวอ์ในพิมพ์พานี้ก็พอทำเนาไม่ได้ว่าแต่พ่อราหุลราชกุมารหนอน้อ ย, น, อยน่าสงสาร เพิ่งเกิดวันเดียวมีพักดังพิมพ์ทองเทียมหารุไทยนายเนตน้นเจ้าพลอยมีความผิดสิ่งใดด้วยเล่าสมเด็จพระลูกเจ้าจึงทรงสละเสียได้ดูดอยากเยื่อเชื้อชานดอกไม้อันเหี่ยวแห้งแกลงบำราดร้างออกไปสู่พิเนศกรมด้วยพระอารมณ์เด็กขาดปราศจากเมตตาการุณยภาพไม่ทราบว่ามีโทษทันฉันใดเมื่อพระลูกเจ้าผู้เป็นพระราชสามีที่รัก มาร้างไร้สเสน่หาออกบรรพชาชนี้อกเราเป็นสตรีนี้จะเป็นเช่นใดจะไว้พักแนจิตสถิตสถานใดดีเล่าบีก็แต่จะเฝ้าสวยทุกทเวศเหตุเป็นไม้มัวหมองกระมลทนต่อความชอกช้ำระกำใจนักหนาอันธรรมดาว่าสตรีเมื่อเป็นไม้ก็ย่อมจะได้แต่ความอัปยศหมดสิ้นสงา่าหาสักและอำนาจบ่มีได้ไม่มีใครจะยำเกรงเหมือนแต่การก่อน มีแต่จะยอกย้อนให้อับยศอดสูด้วยหมิ่นประมาทคารุวนาหลุดราชรสอันมีงอนปราศจากธงชัยมิฉะนั้นหลุดกองไฟปราศจา ก, กวันถ้ามิดังนั้นหลุดราชธานีที่ไม่มีบรมมกษัตริย์ซึ่งจากดำรงไอสวัริยะสมบัติครอบครองก็มีแต่จะต้องถูกพองชนติฉินยินร้ายอยู่ตลอดนิรันด์จะมีประโยชน์อันใดกับชีวิตพิมพานี้ซึ่งไม่มีแก่นสาร ด้วยมีแต่ทุกทเวีทุกวานวันสเสมอแต่ทุกโทมนัสบำราตร้างว่างเว้นจากพระลูกเจ้าพัะสดาเช่นนี้แล้วพิมพ์านี้ก็ควรที่จะกล้ำกลืนยาพิษเสียให้มรณาก็จะประเสริฐกว่าที่จะดํารงชนมิฉะนั้นก็จะอุตสาห์ขึ้นไปบนภูผาสูงสุดแล้วก็โดดลงมาให้มวยมุดวายชีวาดมิฉะนั้นก็จะโจรเข้าในกองเพลิงให้ชีวิตพินาศก็จะดีกว่าอยู่เป็นคนทนเป็นไม้ หรือจะเอาเชือกผูกคอให้สิ้นสุดทุกขที่เจ็บอายอัปปะพัมากเหนือล้นพ้นที่จะประมาณแม้นว่าพิมพ์พานีดับศูนย์สิ้นสงังขารก็จะขาดความทุกข์กุกเข็ที่ขุนข้องชอกช้ำระกรรมฮารุไทยหรือจะว่าอย่างไรนะเปษกานารีเจ้านางเปษกานารีสดับวาทีปรับทุกข์รำพันของพระนางด้วยความสงสารจับใจแล้วพอขาดจากพระเสวณีได้โอกาส จึงอภิวาทบังคมทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าบัดนี้สมเด็จพระปิ่นเกล้ามงกุฎประชาสัตุราธิบดีมีพระราชโ์ก ร, รันตรัสสั่งให้มาเชิญเสด็จว่าวันนี้สมเด็จพระสันเพชรพระองค์ผู้เคยทรงเป็นพระพัสดาเสด็จมากระทาพัตริกิตสถิตยอยู่ในพระราชนิเวศสถานจะโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาเพื่อระงับโศกาพระแม่เจ้าให้บรรเทาที่โทมนัสวันนานวัน ขอเชิญเสด็จพระแม่เจ้าจงไปกับเกล้ากระหม่อมฉันในการระบัดนี้เถิดอย่าชักช้าสมเด็จพระนางเจ้าพิมพาราชเทเวีได้ทรงสดับสารฉนีก็ยิ่งแสนช้นกำกาสดเศร้าสองพระกรค่อนพระสวงเข้าถึงปริเวทนาการพิลาบพระเนตรนองอาบไปด้วยอสุชนวารีมีพระสาวณีตรัสแก่นางเปศกานารีนั้นว่าเมื่อสักครู่นี้เจ้ากล่าวว่าอย่างไรนะดูเหมือนเจ้าว่า สมเด็จพระอิสาราเจ้ารับสั่งให้เราขึ้นไปดูองค์พระพัสดาจริงดังนี้หรือประการใดข้าแต่พระแม่เจ้าซึ่งเป็นใหญ่กว่าทุกนารีในกรุงกบิลพัทบุรีสมเด็จพระอิสาราเจ้ารับสั่งให้เชิญเสด็จจริงเหมือนดังกราบทูลเป็นแน่แท้เก้ากระหมอ่อมฉันจะได้แ้งเสกสรรเอาเท็มาเจรจาก็หาไม่ได้ทรงครุ่นคำหนึงถึงเหตุการณ์อยู่ชั่วครู่แล้วสมเด็จพระนางซึ่งกำลังตกอยู่ในความทุกข์โทมนัส จึงมีพระสวนีตรัสสั่งด้วยความน้อยพระทัยว่าดูก่อนเจ้าเปศสการนารีเอย๋ยอันตัวพิมพาครานี้ไม่เหมือนก่อนด้วยกลายเป็นคนการกินีมีจักขุนศีวิกลวิการไปทุกสิ่งเป็นความจริงนะเจ้าครั้นพิมพาจะขึ้นไปเฝ้าก็น่าจะทำให้เสื่อมเสียพระสิริอัปปพาคไปขอเจ้าจงไคร้ควรดูให้ดีเถิดว่าแต่บางก่อนอย่าเมื่อยังอยู่ในพระราชนิเวศ คือยังไม่เสด็จออกบรรพชาสมเด็จพระลูกเจ้าก็เคยเสด็จไปเสด็จมาเข้าออกในนิเวศแห่งพิมพานี้เป็นนินิรรศทุกวันทุกราตรีไม่ต้องมีเปศษการนารีหรือนางกำนันคนใดไปทูลเชิญเสด็จไปเสด็จมาทรงปรารถนาจากเสด็จมาก็ย่อมเสด็จมาด้วยพระองค์เองสถิตเหนือพิกิตอลังการอาจรัดประพาทแย้มสวนเล่นตามสบายพระไทยบางเวลาพิมพานี้ ยังไม่ทันที่จะมารับเสด็จพระองค์ก็เสด็จไปสู่ที่สงทรงตักอุทกกวารีด้วยสุวรรณภาชนะขันทองล้างพระบาทด้วยพระหัตต์เองแล้วเสวยโภชนาอันพิมพาประจงตกแต่งไว้ถวายแล้วเสด็จไปนิสัชนาการสาราญพระวรากายบนพระแท่นที่สิริสายญาติที่พิมพานี้ตกแต่งปูราดไว้บัตรนี้จะให้พิมพาไปเฝ้าพระพัสดาในที่อื่นเล่า เจ้าจงไปกราบทูลตามคำของพิมพาในกา ร, รบัตดนี้เถิดว่าพิมพานี้เป็นหญิงการกินีไม่อาจที่จะใช้ในายนาจ้องมองสมเด็จพระลูกเจ้าผู้พัสดาให้ทรงเสื่อมเสียพระสิริไปโดยใช่เหตุมิฉนั้นแล้วสมเด็จพระลูกเจ้าคงจะไม่เสด็จหนีออกบรรพชา